ดเลนพรท่านสาธุชนผู้ตระบรสันทุกฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบทางเทิเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการศีลภาวนาทุกท่านใครที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาถามคำถามก็เชิญเข้ามาได้แต่ต้องรอง เราเนระดับกันก่อนหลังใครเข้ามาก่อนก็จะได้พูดก่อนเพาว่าแผนตามระดับแต่ก็ถ้ายังไม่ได้พูดก็ฟังไปก่อนก็ได้เพราะคำถามของผู้อาจจะตรงกับคําถามของเราไปได้หรือไม่ฉะนั้นก็เป็นคําถามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตเมื่อเราได้ยินคําตอบแล้วเวลาเราเกิดคําถามขึ้นมาเราก็อาจจะสามารถอ ตอบคถามนั้นได้การทำนี้เป็นการสนทนาทำเป็นกงคลอย่างยิ่งพรมัจชาสมตันกาเลนะธรรมสาคชาเอตามังกาลมิตาังการสนทานสนทนาทำตามการตามเวลาอาทิตยตามการําเวลาเป็นอย่างที่เราทากันกอาทิตย์นั้นหครั้ง เป็นประโยชน์เป็นมงคลก็คืเป็นประโยชน์แก่จิตใจเป็นประโยชน์สำแก่จิตใจวันนี้เราจะเริ่ที่คุณบอกพิเชษเช่นเคยใช่คุณบอกกับนิมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายจิตคือเราแต่เราไม่ใช่จิตก็จิตเป็นทับเป็นท่านรู้ไหมเป็นเหมือนกับท่าตดินน้ำลมไฟ จิตเป็นผ like we <wide increasing music Android> ู <Hitler> <lyrics> ้ผลิตเราขึ้นมาจิตเป็นผู้คิดผู้นึกเป็นเหมือนผู้เขียนนิยายเราเปเหมือนตัวนิยายตัวละครที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาแต่งขึ้นมาว่าเราเป็นเป็นเราแล้วก็พอเราได้ร่างกายก็ปรุงแต่งต่อว่าร่างกายก็เป็นเราเป็นของเราแล้วพอเราได้อะไรมาผ่านทางร่างกายเราก็ จิตก็ปรุงแต่งต่อไปว่าเป็นของเราหมดได้ได้ตําแหน่งได้ยศได้ทรัพย์ได้บุคคลนั้นบุกคลนี้มาก็เป็นของเราเป็นภรรยาเราเป็นสามีเราเป็นเพื่อนเราเป็นญาตของเราเป็นสมบัติของเราเป็นกายเป็นเราหมดที่ออกมาจากความจริงจินตนาการ จิตเนี่เป็นผู้เหมือนผู้แต่งนิยายเปนเหมือนกับเวันที่เขียนนิยายเก่งๆนะบางคนคนเดียวสามารถแต่งเรื่องราวขึ้นมาเกี่ยวคนนั้นคนนี้อมาแน่นบทบาทอะไรต่างๆกันนี่นะคือคือจิตเอจิตไม่ใช่เราแต่เราคือจิตเราจิตไปแต่งว่าเราเป็นจิตเราเป็นผู้รูม ผู้คิดนะแต่จริงผู้รู้ผู้คิดไม่ใช่เราผู้รู้ผู้คิคดกาเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่รู้ที่คิดอันนี้ก็ก็อจจะเป็นการพูดแบบใช้สัมโดนใช้ใช้โมหันนิดหน่อยจิตอจิตไม่ใช่เราเราเป็นจิตนะเอาเวลาเราพูดกันเนี่ยเวลาที่เราต้องการแยกย่าเมื่อตอนเราต้องแยก เราออกอางร่างกายก่อนเพราะร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของพ่อแม่สร้างขึ้นมาแล้วจิตมามาครอบครองด้วยการใช้กระแสวิญญาณมามาเกาะติดอยู่กับทั้งวัทั้งค่าม่ได้มีง่ายๆเราก็รับรู้เสียงจิตเาดังๆก็เลยกลายเป็น กายเป็นร่างกายไปจิตกายเป็นร่างเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายคณะแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ก็มีความเห็นเช่นเดียวกันว่าจิตก็คือส่วนหนึ่งประกอบของร่างกายตั้งอยู่ในสมองมาสมองนี่แหละเป็นพวกคิดพวกพรู้อะไรต่างๆแต่นั่นก็ไม่มีการพิสูจน์เป็นการเหมือ น, นกับเป็นทฤษฎี แล้วก็เชื่อเชื่อกันมาก็เลยทำให้เกิดความทุกข์เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรทุกคนก็คิดว่าตอนเองเป็นปเป็นลายไปกับร่างกายแต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพเจ้าก็บอกว่าร่างกายกับเราไม่ใช่ ไม่ใช่เดียวกันเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มาเข้าความร่างกายแต่เนื่องจากเราไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างหน้าตาถ้าเราใช้ร่างกายเป็นเหมือนเป็นปนอร์มินี่ตอนนี่เขาใช้คำว่านมินี่เป็นตัวแทนเรานตอนนี้ก็กําลังเริ่มผู้แทนเนี่ยเราก็เรียกนมินี่ผู้แทนนี้ก็เป็นเหมือนผู้แทนที่จะไปออกเสียงให้กับเราในสภา จิตก็ต้องมีจิตไม่มีรูปร่างหน้าตาจิตไม่สามารถทำอะไรในโลกนี้ได้โดยที่ไม่มีดอมินีก็เลยต้องมีร่างกายนี้เป็นดอมินีแล้วจิตก็ใช้ร่างกายให้ทำอะไรต่างๆตามความต้องการของจิตจิตก็มีความต้องการหลักอยู่สามข้ออยากหาความสุขจากลกเสียงกงิตเราทำตามจะบกเล่นกายแล้วก็ อยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นซึ่งความอยากทั้งสามนี้เวลาเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดไม่ได้ตามใจอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาจิต <Yeah. S 1> สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองเราไปรู้สึกตัวเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะั้นมันขอไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาไม่ได้ไไดไไดก็เสีย ใ, ใจผิดหวัง ดได้มาแล้วแล้วสูญเสียไปในภายหลังก็ทุกข์นี่ค่ะนี่คือปัญหาของจิตจิตมาหาเรื่องเองจิตอยู่ดีๆไม่ชอบอยู่ไม่เป็นสุขทําจริงตในถ้ารู้จักทําตัวให้ให้สงบให้นิ่งจิตมีความสุขมากไม่ต้องไปหาความสุขจากลูกเสียงกินรถตา่างๆแต่เนื่องจากไม่รู้อวิชชาไม่รู้ เห็นไม่รู้ว่าความสุขมีอยู่ในตัวของตนแล้วเป็นความสุขที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดเป็นความสุขที่ท้าวอ่อนแต่ไม่รู้ว่านี้ก็เลยหลงไปคิดว่าต้องไปท้าความสุขจากรู้เสียงกินรอดจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ก็เลยต้องแบ่งมีร่างกายไปเกิด ไปรอร่างกายไม่จิตไม่ได้เกิดจิตเราร่างกายที่เกิดที่พ่อแม่อสร้างขึ้นมาแล้วพอมีการก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจิตก็เลยไปครอบครองด้วยการใช้กระแสวิญ ญ, ญาณไปเกาะติดกับอาวุธจมูกนิ่งกายแล้วพอร่างกายออกจากท้องแม่มาก็สั่งให้ร่างกายไปทำํำอะไรต่าง ตอบสนอความอยากขั้นสานนี้แล้วก็มาทุกข์กับการที่ไปหาสิ่ ง, งตา่างๆเพราะสิ่ ง, งต่างๆในโลกนี้มันเป็นของไม่แน่นอนของชั่วคราวได้ามาแล้วเนี่ยช้าไม่ช้าก็เลยมันต้องเสียไปหมดไปเนื้อเปลี่ยนแปลงก็จะทําทให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนความสุขเราต้องรีบหลดหาของใหม่มาทดแทนเรื่อยๆถ้าอะไรก็ไม่มีวันจบ ส่วนร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือมันก็จะค่อยเสื่อมไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ไม่สามารถทำหน้าที่ตามที่จิตต้องการให้มันทำได้ดั น, นั้นก็เลยยิ่งเกิดความทุกข์ขึ้นไปทุกตอนวัยแก่ตอนที่เจ็บตอนที่อ่ตอนที่ไม่สามารถทำอะไรตามความอยากได้เหมือนตอนี้ี่ก็เลยคิดว่า วิธีแก้ปัญหานี้ก็คือค่าร่างกายเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมาทรมาร์แต่มันไม่ได้ไปแก้ถูกจุดตัวที่สร้างภาพทกทรมารไม่ใช่ใร่างกายตัวที่สร้างภามทุงทรมารยก็เคยความอยากในใจคือกิเลสเนี่ยต้องมาฆ่ากิเลยเหมืที่วรจารย์สอนองคุลมารยอย่ไปฆ่าคนฆ่าผีมาฆ่ากิเลสฆ่าความโลภความโกรธความหึ้าความอยาก เราค่ายแล้วความทุกข์ใจก็หายด้วยนะครับแก้ปัญหาต้องมีพระพุทธเจ้าคนฉลาดมามาสอนทั้หมดวิธีแก้ปัญห า, า, า, า, ญหายุติการเวียนว่ายตายเกิดวนเริ่มเริ่มที่ว่าจิตเป็นเราเราเป็นเจิตนี่มันเป็นเรื่องเป็นคำถามสุดท้ายเมื่อเราตัดสิ่ ง, งต่างๆภายนอกว่าเป็นของเราไปให้หมดครับตัดนามยศชนละแสรศูสุขว่าไม่ใช่ของเรา ร่างกายไม่ใช่ของเราตัดเวทนาไม่ใช่ของเราแล้วค่มาตัดจิตอีกทีหนึง่งนาจิตก็ไม่ใช่ของเราอารมณ์ที่เกิดในจิตก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องข้อสนองนี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติที่พวกเรามาปฏิบัติกอย่างเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้นกันเรายังอยู่ขั้นเกาไข่ขอไข่ เกิดการฝึกสติคอยหยุดความคิดคอยดึงใจแม้ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ต้องคิดเช่นพุดโธพุโทโธแล้วอยู่กับร่างกายแล้วเมื่อมีส ต, ติต่อเนื่องกมาฝึกนังทท่งสมาธิทําจิตให้นิ่งจะได้เห็นความจริงระหว่างจิตกับร่างกายว่าเป็นคนละส่วนกัน แล้วก็จะเห็นว่าตัวตนก็เป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมาเองด้วยความคิดพอจิตสงบความคิดหยุดทํางานตัวตนก็หายไปเนี่ยแต่ตัวรู้จิตก็คือเลยธาตุรู้หรือตัวรู้นี่เองเลยสงบพอเข้าใจเลยยังเข้าใจแล้วครับกบขอบคุณครับอาจารย์อันนี้หมอไปถึงไหนแล้วล่ะ ก็ยังลบลุกคุกกานครับอาจารย์แต่ก็ตั้งใจด้วยเฉลิมทวิริยะจิตตะวิมังสาครับตั้งใจที่จะศึกษาปฏิบัติไม่ไม่ทุกข์กับร่างกายได้ไมครับก็อยู่ในน้อมนําไปปฏิบัติแต่ก็พยายามพยายามอยู่ครับอาจารย์ร่างกายแก่แล้วไม่ได้แก่จิตไม่ได้แก่ด้วยร่างกายเจ็บจิตไม่ได้เจ็บ ด, ด้วยร่างกายตายจิตไม่ได้ตายด้วย ต้องทํำจิตให้เน้นเห้ใชให้ปล่อยวางต้องมีอเุเบกขาอันนี้ก็อสอบทุกคนต้องทำเป็นทำข้อสอบแรกนี้ได้ก็ได้เป็นโสดาแมนได้เหรียญเหรียญเงินนะได้เหรียญทองแดงต่อนโอเคนะนํำลงไปปฏิบัติแต่นานำไปปฏิบัติอาจารอ ทำแม่จัดแจงที่จ็กซิาชากราบเวัฒนธรรพระจ์ครับ้บางวันนี้มาส่งกันบ้านครับัร่างกายมนครับัเห <c oughs> ็นข้างอาวนร่างกายแล้วเลยโอ้ยช่ยเลยนะยัง <c oughs> เห็นเห็นปอดมมีปอดมั้ยมีกระดูกไหมมีครับโอเคเห่มากช่อยดี ไปเราแยกเป็นส่วนๆก็ได้วเราวาดโครงกระดูกออกในส่วนหนึแล้ววาดปอดปอดหัวใจตับไ ต, ตอลอไรต่างลำไส้มีไหมดีเลยจะได้จะได้มีอะไรให้เรามองเวลาเรามองใครมองร่างกายของใครไม่ว่าของของเรานั้นของใครเราก็จะบอกว่านี่ร่างกายของทุกคนก็มีอย่างนี้แหละมีสวยงามยังไง ประกวดงามๆไปประกวดอะไรกันทําไมมันไม่มันไม่งามหรอกเห็นไหมประกวแต่หนังที่หุ้มห่ออะตั้งทายนี่ก็เป็นเหมือนเหมือนของเหมือนกองขยะแล้วก็เอากระเป๋าสวยๆมาใส่ใช่ไมเวลไม่ได้เปิดกระเป๋าเดี๋วก็ใส่กระเป๋าชาแนลเที่ยวมา อย่าขปิดปกระเป๋าดูอ่ะจ้าเอ๋นะดีอ่าสาธุลองไปวหดความกระดูกดูนะได้เต็มควางเอ่อเรื่องกายแล้วก็ไหว้ปัจจัยไหว้อดเอาเอาอาไหวอย่างน่าอนกันแน่ของมันเนาะขบครับอดใ นำไส้จกักเป็นตน้นแล้วก็สมองอันนี้เป็นอวัยวะส่วนที่สาคัญส่วนที่เห็นชัดชัดที่สุดส่วนอื่นน้อย ๆ, ๆไม่เป็นไรนะไม่ม่ให้หัดดูอาอวัยวะเหล่านี้กันครับมครับดีค่ะครับอันนี้ยังไม่ลืมการฐานที่สองใช่ไหมยังไม่ลื ม, ม, ลมคระโอเค จะทำให้รังหรือเปล่าได้ครับนะครับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองสีสักน้ำดีน้ำเสลตน้ำเหลือน้ำเลือดน้ำเงอ น้ำมันข้นน้ำตาลน้ำเหลวน้ำตาน้ำมูน้ไข่ข้าวมันน้ำมูน้ำไขข้าน้ำมูดน้ไข่านมูดเป็นน้ำตาน้มันเหล่น้ำตาลมันทุกคนน้เหนือน้ำเรื่อนน้าเหลืองน้เชลลน้ดีเยงใสมองสีสัอาหารเกาอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตฟังผืน ขาดากหัวใจมาแยงในกระดูกกะดูเอ็นนือฟันและขนผมอ่าแล้วก็ที่ให้ท่องว่าเราเกิดมาแล้วนี่ต้องแก่ยังท่ออยู่ปะาพยายามท่องอยู่ครับจำได้ไหมก็ก็อาจจะลืมลืบ้างครับลืมนะแสดงว่าไม่ได้ท่อทุกวันครับอท่ทุกวันนะ แล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้แล้วก็นั่งสมาธิด้วยหรือเปล่านั่งอยู่ค่ะโอเคแล้วไปทำกันม้านอีกค้อหนึ่งไปค่ะท่องบทแผ่เมตตาด้วยนะเพจจัตตาเวลาหุนตุทั้งหลายทั้งปวงจงไม่มีเมกันเถิดปัญยาปัญชาหุนตุ เนี่ยไปถามตรงแน่นุ่น<ต>มนะท่องได้แล้วก็แผ่ทุกคืนค่ะอ่าดีอกานท่อนี้ไม่ได้เป็นการแผนเนี่ยเป็นการจดจําเป็นการเกินใจแผ่ตอนที่เราแย่งของกันหออเนี่ยอจะแย่งกันที่แสดงว่าไม่แผ่ไม่ตาแล้วนะตรงอ่ะใครอยากได้เอาไปผมไม่เอาก็ได้นให้ให้ความสุขกับคนเนี่ยเขาอยากได้ของที่เราก็อยากได้แต่เราเสียสละ มีนด้ให้เข้าไปครับถ้าเราให้เขาไปบางทีเขาก็ไม่อยากได้นะ Chris, <อ>ครับเพราะเอยากจะได้ตอนที่เขารู้ว่าเราอยากได้เท่านึงพอเขารู้ว่าเราไม่อยากได้เขาก็ไม่อยากได้นะ <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับเพราะต้องการอยากชนะเราเท่านึงใช่ไหมครั บ, รบ เ, รเราต้องยอมแพ้เนี่ยไปเอาชนะใครยอมแพ้เขาแล้วเราจะชนะเขาเพราะพอเรายอมแพ้เขาแล้เขาเขาก็จะยอมเรา เขาก็ไม่อยากจะมาแก่งแย่งชิงดีกับเราเพราะเราไม่ไปแก่งแย่งชิงดีกับเขาค่ะเข้าใจไหมเข้าใจครับนะอยา่าไปแก่งแย่งชิงดีกใครของไปไปที่อื่นก็ได้ถ้าตรงนี้มีคนเขาอยากจะได้ใครเข้าไปเราก็ไปหาที่อื่นแต่ที่ไม่มีใครเข้ายันได้ครับเราจะไม่มีเรื่องกับใครไม่มีการกอดกานเกียดกันก น, นะ นี่แะเกิดการแผ่เมอตาต้องแผ่ด้วยการกระทั่งกัน้ย่าครับแต่ให้ท่องเอาไว้เพื่อจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างต้องให้อภัยเวลาที่มีเรื่องกันต้องไม่ทําร้ายร่างกายกันไม่ต้องทำร้ายจิตใจกันไม่เบียดเบียนกันไม่สร้างความเสียหายเดือน้อนให้ก่บผู้อื่นแล้วก็ให้ความสุขแก่กันะค เป็นซันด์คร์สกไม่นะเมตาก็เป็นซันด์คอร์สครับโอเคนะค่ะขอบคุณวันศุกร์นี้จะเดินทางไปอังกฤษครับแต่ยังจะเข้าสููเหมือนเดิมครับอ่ออะไ้ท้งครบครัวอะไรอครับพิดแทนนะครับกลับไปหายาครับไปหายาไปนานไหมชอบเป็นเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเนี่ อยู่แถวไหน่ะอยู่แถวนอริทค่อร์นอวิชน่ะใช่ค่ะอยู่แถวไหนนอวิชนี่อยู่ทาอยู่ภาตะวันออกค่ะตะวันออกไปทางเวล้นตะันตกะวันออกแล้วน้องไปทางอยู่ใกล้ๆกล้อัมสเตอร์ดัมค่ะถ้าบินจากอัมสเตอร์ดัมประมาณชั่วโมงเยือนติดชายฝั่งเลยเยติดชายฝั่งเะัอเคป็นบ้านของบราคุณปู่คุณย่าเน่ะ อครับคุณปูไม่อยู่แล้วเดือนแรกคุณยา่าเลยอืมใช่ครับไปบ่อยไหมไม่ได้ไปประมาณห้าปีแล้วครับ้ปีนะเขาคงจะตกใจคุณยา่าคงตกใจออกโตขึ้นเยอะแยะครับค่ะโอเคก็คขอให้มีความสุข ม, ม, ามากๆเดินทางโดยปลอดภัยนะครับขอบ<อ><อ>คุณครับขอบคุณพระเจ้าครับโอเคอ่าไปน้โม อเปลี่ยนชื่อาเป็นน้ำมอแล้วล่ะราชการ า, ารุณผาจันพอดีวันนี้เห็นว่าอ่จะเข้าสูงที่บ้านก็น่าจะลําบากน่าจะนานอยู่พอสมควรก็เลยอ่าเข้าที่ห้องนํางานคุณแม่เลยครับอาจอืนแล้วก็ไม่ค่อยชินกับเครื่องคุณแม่เท่าไหร่ก็อืมนิดหนึ่ง <laughs> ก็ไม่ทันได้เปลี่ยนชื่อครับอาจันอ่าไม่เป็นไรหรับก็แซวเล่นเล่นได้ <laughs> <ๆ> <laughs> อาจารย์แต่ยังเป็นสันโดษของอาจารย์คนเดิมครับสันโดษนะยินดีตามยินดีตามเกิดอนนะคระับอาจารย์จะไปแข่ ง, งย่างชินเดียกะครเขานะคระับอาจารย์เราแพ้เป็นพระชนะเป็นบานลใช่ไครับอาจารย์อาจารย์ครับอาทิตย์ที่แล้วผมคิดว่าผมจะไม่รอดเสียแล้วครับอาจารย์อยู่ๆก็ปวดปวดหัวปวดหัวแบบสงสัยเรียนหนักครับอาจารย์ปวดหัวแบบหนักมากเลยแล้เราก็แบบอ บททดสอบมาแล้วเว้ยแผมก็อพูดโทรศัพทลมหายใจโอเคคราวนี้พออาการมันเริ่มทรงตัวครับอาจารย์<ม>เราก็อโอเคมันเริ่มทรงตัวแล้วคิดไปคิดมาเคยถ้าสมมติว่าเราเผลอไปหลุดคิดอะไรแล้วเราเกิดตายไปตอนนะั้น่ะเราไปแย่แนะผมก็เลยรีบรีบเลยครับอาจารย์เปิดบทพิจารณาสังขารความตายเป็นของยังยืนชีวิตเป็นของไม่ยังยืนอะไรเงี้ยครับอาจารย์ เราจะได้ไปตามบทสวดจะได้ปรงได้ครับอาจารย์เผื่อไว้เลยครับบทส่วนบทที่ให้เข้าไว้เนี่ยเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาไม่ลดความค้อมแกะความเจ็บควาตายไไม่ได้ครับอาจารย์แล้วก็มาดูเวลาจีิงตายแล้วสองทุ่ครึก็เลยคิดว่าวันนั้นไม่เข้าดีกว่าสังขารไม่ไหวครับอาจเรย์ ก็ไม่เป็นไรก็มีพักได้บ้างทาให้สบายครับแต่ว่าฟังอยู่นอกข้างนอกห้องครับอาจารย์ออก็ยังได้ยินอยู่ครับอาจารย์แต่ว่าไม่ได้เข้ามากับไม่ไม่มีการตัดคะแนนห้องนี้ใครจะเข้ามาไม่เข้ามาไม่ไม่ตัดคะแนน <laughs> คนเข้ามาต้องให้คะแนนตัวเอง <laughs> อรัพระอาจารย์เต่องยังปฏิบัติต่อเนื่องครับพระอาจารย์การสรัมิทสองก็กังพิจรารณาอยู่ต่อเนื่องพระช่างครับแล้ววันนี้ตอนเดินกลับมาอคุณแม่ที่ห้องทํางานครับผมไปเจอซากนกที่ศพนกลูกนกที่มันตายครับพระอาจารย์ <ừ> ผมมันคนบ้าพระอาจารย์ผมไปถ่ายรูปศพนแะล้วมาจับตรงศพผมก็แผ่ไมตาไปผมก็ท่องหแบบว่า สัเพสัตตาอะไรางนี้แล้วก็กไปที่ชอบที่ชอบนะแล้วก็ขอบคุณที่ว่าเป็นบทบททดสอบให้บทเรียนให้เราได้เอามาพิจารณาดูแล้วก็กลับมาถึงห้องทางานก็มานั่งซูมดูในรูปครับแล้วก็มานั่งพิจารณาว่าเออมันก็เป็นหนังหุ้มข้างในมีอะไรก็ไม่รู้ลำไส้นู่นนี่นั่นสกปรกไม่ไม่ใช่ของสะอาดครับร่างกายเราต่อไปก็ต้องเป็นแบบนี้ ต้องถึงกับความตายอย่างแน่นอนนะครับครับอาจารย์โอเคมีอะไรไหมอ่าอาจารย์ครับแล้ววันนี้ผมซุ่มซ่ามครับอาจารย์ผมทําโทรศัพท์ตกแล้วฟิลแตกอาจารย์เว็บเวบแรกเห็นเลยเห็นเลยว่ามันแบบเฮ้ยคือนึกได้เลยแล้วทำโทรศัพท์ลวกสักพักมันดับมันคือแบบเกิดขึ้นแล้วดับแล้วพอมันเกิดขึ้นระดับแล้วก็ สับมนอมพิจารณาสูตรกฎไตรหลักกันทีว่าเอมันตอนแรกว่ากี้โทรศัพท์ยังดีๆอยู่เลยอยู่ดีๆฟิลแตกซะแล้วควบคุมไม่ได้แค่เพรควบคุมได้เราไม่ควบคุมเไม่มีสติในการควบคุมได้คิดอะไรอยู่ไม้ลอยลอยกลับสงสัยจิดการการาจสองเพลินครับว่าใจเลยไม่มีสติ ครับอาจารยร์แล้วก็ยังนั่งสมาธิต่ตอเนื่องครับอาจารย์เข้าสู่ความสงบได้ต่อเนื่องครับผมนั่งทุกวันนะนั่งทุกคืนครับอาจารย์เป็นมนกินอาหารอาหารใจสมาธิเป็นเหมือนอาหารใจทำให้ใจเย็นใจอิ่มใจสบายครับอาจารย์อาจารย์มีการบ้านอะไรอ ย, า, อยากจะเสริมให้ผมไหมครับก็ไม่มีตอนนี้ไม่ต้อยาให้เสริมอะไร อันนี้ทําทําำที่ทาให้มันให้มันดีก่อนครับอาจารย์จะไปเร่งเพียเลยครับคือตอนนี้ความความมุ่งมั่นการสัญญาขันคือจําได้หมดแล้วว่าโสดาบันต้องทํานี้นะไปอย่างนี้นะไปงนี้นะรู้หมดละแต่เหลือแต่ภาวนากับทําจริงครับผมอาจะารยนนะ์ถ้าหยุดหยุดความอยากให้ได้อาาโอเค จะเล่งความเพียรได้ถึงที่สุดครับพอาจารย์ครับผม <ฮะ S 2> สาเออะาจารย์ไปที่กรุงศาีรกาจากชัยนาทถึงบ้านก็เลยเมื่อวานม า, า, มาทาที่นี่เลยชัยนาทหลายหายชั่วโมงเลยนะหกชั่วโมงอย่างน้อยประมาณสี่ชั่วโมงครับอาจารย์ส <4, S 2> ี่ชั่วโมงมันเร็วนะมันมีทางด้าน ไ, ไหมหมอือก็ขึ้นทางด่วนมาตลอดนะคะอาจารย์อทางด่วนตั้งแต่พัทยาขึ้นไป<บ> ใช่ค่ะค่ะมาฟังทำค่ะพระจารย์ค่ะแต่แต่ไปฟังทำพระอาจารย์เออกลุ่มที่ที่ที่มากันเยอะๆอะค่ะพระจางแฟนเป็นไข้เมล็ดเขาเป็นเมล็งกันโอโอเคเขาต้องเขาตรักษาด้วยการผ่าตัดคีโมชายแสงเขาจัดกลุ่มกันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นกลุ่มให้กำลังใจเรากัน อืเพราะว่าลูกฟังที่เทศของพระอาจารย์หลายๆหลายๆอันก็เหมือนมีคนไข้มาหลิงเยอะเหมือนกันนะคะที่เขาใช้แบบอมไม่ไม่ใช้ยาไม่ใช้อะไรอืมอันนี้ไม่ทราบว่าเขาใช้หรือเปล่าใช้ไม่ใช้ไม่ทราบแต่อย่างน้อยเข้ามาเพื่อเอากําลังใจเอาธรรมะโอสถไปรักษาใจเอาไหมใจเอาทุกข์กับความเจ็บไข้และป่วยของร่างกาย อืมค่ะเพิอเอินฟังแล้วก็แบบหลายๆอันก็จะได้แบบเป็นไกด์ไลน์ไปอะค่ะป้าจาง ก, ก็ให้กําลังใจเขาวันที่บอกว่าเขาโชคดีเขาได้พบเทวดาทูตเหมือนกับ พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปเห็นเทวทูตก็ลยทา้ทาพระเจ้าเหมือน ก, กันในปฏิบัติธรรมนะพวกเขาก็เห็นเห็นเทวทูตเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยมาปฏิบัติธรรมนั่น อันนี้จะมองว่ามันเป็นโอกาสาก็ได้พิชวิกฤตให้เป็นโอกาสนวิกฤตก็คือการเจ็บค่าเลด้วดของเราแต่เมื่อมันเจ็บค้าดได้ปวดมันก็จะไปเที่ยวไปเล่นในวิกฤตนี้ไม่ได้อมันก็ต้องรีบหาที่พึ่งอะไรต้องว่าหารธรรมะเอาเทศสเอาทำแล้วก็ัปฏิบัติทําใจให้สงบ เพราะว่าปกติที่ที่อันนี้คือที่ฝึกมาค่ะออที่บ้านก็บอกลูกแบบนิ่งมากขึ้นแล้วก็แฟนก็บอกลูกอะนิ่งมากขึ้นคือคิดมันเปลี่ยนจากแบบครไม่เปลี่ยนกันแล้วว่าไม่ได้ยอมกันคือคิดคิดคิดอีกแบบหนึ่งเขา เขาก็เลยแบบอืเพราะว่าคิดแบบแพ้เป็นท้าชนะเป็นบาญคิดยอมเย็นย็นคิดค่ะเพราะว่าที่พระอาจารย์สอนสอนมาอย่างเนี้ยค่ะลูกก็แบบเอาไปใช้แล้วทีเแป้ยบางทีแบบพอพี่สาวลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาถา ม, มลูกก็บอกว่าลองใช้แบบนี้สิแบบว่าเหมือนที่พระอาจารย์บอกอะ<ม>่ะถ้าแบบคนไม่ชอบแล้วก็ให้เอาของให้ให้อะไรอ่ะเดี๋ยวเนี้พูดดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อบอกว่าเนี่ยเห็นไหมละ่ะใช้ได้ใช้ได้เมตตาทำจุนโลกได้ลูกคือจริงๆแล้วว่าปกติอะค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่ได้ไม่ได้มาศึกษานะคะข อ, อยู่นอกเนี้นะคะ่ะเราก็จะรู้แค่ว่าไปไปวัดใส่บาตรทำบุญแต่เราไม่รู้ว่าเหตุผลหลักทำทำไมทำเพื่ออะไรใช่ลูกก็เลยบอกว่าอย่างานา้รยนะคะที่มาฟังจากพระอาจารย์มันเยอะแยะหมดเลยอะ คือให้เราออกไปจากตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นฐานหมดซึ่งคนไปบางทีกขไม่รู้อะค่ะอาจารย์ลูกก็บอกเนี่ยเนี่ยได้บอกฟังเลยเนี่ยค่ะบอกไม่อีกค่ะแล้วบริการเป็นคนช่วยคนอื่นมาในตัว อ, อะไรฮะเขาให้เราเปลี่ยนไปเขาอะไรอย่างเงาลวดทำอะไรว่าตอนแรกๆเลยอ่ะที่ไปอ่ะที่ลูกบอกตาอาจารย์แบบลูก ลูกมีความปกติอลูกไม่ค่อยอันนีมากที่โกรธติดปีตเลยแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยคือลูกสามารถนั่งกินได้ให้ของให้อะไรเขาขออะไรลูกก็ให้หมดตอนหลังก็เขาไม่เคยว่าลูกเลยอ่<ป>ะ<ช>ค่ะดีมากเนี<า>่ยทางพรจาวิเศษอย่างเงี้ยท่านวัอว่รไป ป, รปฏิบัตินด้แล้วจะมีมความสักิมาก Uh, mm hmm. ลูกยังบอกพี่ที่ทํางานนะคะที่ทางานเก่าอะ่ะลูกบอกว่าถ้าหากมามามามาฟังแล้วก็ฝึกจริงๆนะคะตามที่อาจารย์สอนน่ะถ้าได้อุเบกขาเราจะรู้สึกว่าใจเราอะมันม่ซับกับอะไรมันจะคือรู้เฉยๆลูกบอกเป็นเหมือนหยดน้ำลงไปลูกบอกแม่ึกนราบก็หาวห่าน ลูกบอกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ถ้าไปฝึกแล้วมันมันทําได้มั น, ม, นมันรู้มันรู้เองมันไม่ไม่ได้แบบก้าวล้าเหมือนแต่ก่อนแบบเห็นแล้วมุดหิดอะไรไม่ใช่<ม>อยู่ได้อะไรได้นี่นะคะประจันค่ะนะครัผลที่เกิดจากการศึกษาปฏิบัตินะคะก็ต้องใจเย็นๆต้องศึกษาไปปฏิบัติไปไมันก็ซึมซาบเข้าไปก็จะฟังครั้งสองครั้งแล้วก็จะเข้าใจ เพราะว่าปกติเนี่ยเหมือนอย่างที่บอกพระอาจารย์แหละส่วนมากคือลูกอ่ะไม่ไม่ได้มีงานเลยคทำเอาแฟนออกมาลูกก็จะแค่ตามตามพระอาจารย์บอกคือจเจริญสติแล้วก็นั่งสมาธิฟังเทศชีวิตก็จะประมาณนี้นอกจากบางวันที่เราต้องไปหากพ่อเนี้ยค่ะอไปทาหน้าที่ไปแล้วพอเสร็จแบบอร น, นี้ประมาณค่ะพระอาจารย์ อยู่ข้างในดีกว่าข้างในเย็นข้างนอกร้อนจิตเข้าข้างในเป็นบ้าจิตออกข้างนอกเป็นสมถย์ค่ะพระอาจารย์มาฟังธรรมค่ะม า, าถึงไปที่อาจารย์ผมูมไลัยต่อยังไงทำดิกาอยู่บรือเปล่าออวันนี้มี City Bank m e ค t ม n g ค่ะยั ง, ย, งยังไม่กลับันผัดกันะ ชัดกันสัปดาห์ที่แล้วตามกิเลสแต่ว่ากิเลสที่ที่ตามไปอะนะคะเป็นได้สนทนาธรรมในอย่างนี้นะคะเพื่อนที่ล้วมห้องและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มีจิตปรารถนาที่จะวิ่งตามด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราไปตามกิเลสแต่พรากว่ากิเลสต่อไปคือว่าอยากจะไปฟังธรรม ท, ที่ที่น่ากุติเราก็อยากจะไปใส่บาตรกันเราก็รู้สึกว่า มันก็ได้ได้อีกอะไรอีกแบบหนึ่งนะคะว่าจะมีคนตามคือมีความเรื่องสอยเกิดขึ้นเดาสอนแล้เราที่เราไม่ต้องพูดอะไรค่ะเพราะก็ฟังกันเราไปสองชั่วโมงค่ะอนกะเราก็ถามว่าอยู่ที่ไหนคือเขาไม่เคยเป็นคนที่สนใจอย่างนี้นะคะแต่ว่าในชีวิตเขาเนี่ยคำพูดของเขาแนวทางกขาปฏิบัติเนี่ยมีธรรมะอยู่ในใจอยู่แล้ว แต่ว่ามีมีได้มาทางนีึงเราก็เลยบอกเออดีจังกิเลศเที่ยวหน้าเราจะไปบ้านอำเภอกันจะไปจะไปเปลี่ยนเวกยที่บ้านอำเภ อ, อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจับเมื่อไหร่เดี๋ยวไปกันค่ะก็เลยเก็ดีฮะก็เลยรู้สึกว่าตก็ได้ประโยชน์นอกจากกิเลศตัวใหญ่ที่ได้แล้วนะคะก็ะดี พราจารย์บอกทำประโยชน์ให้กับตนแล้กับผู้ให้ถึงพร้อมด้วยความแม่นปฏิบัติแม่นระมานี่ทำมนเสียดายไม่เวลาทำให้มากๆาค่ะก็กลับมาก็ได้ไปขอหนังสือคุณจุ๊บอีเพราะว่าเวลานั่งเครื่องบินก็เอานังสือเรีนจา์คัพโศดเนี่ย น, นะคะไปด้วยก็เลยเราสามคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วก็เลยนั่งคุยกันแบบ ทำมาแต่ก็สนุกสนานเลยนะคะไม่มีไม่เบื่อเลยก็คุณเมื่อสมวันก่อนก็มีคนมาขอหนังสือท่าดูไปอันนี้ครับประทับใจคใช่ชอบค่ะเล่นเล่ท่าดูยังมีอยู่เหรอคะยังพอมีอยู่บางคนกูที่ไปคนเก็บหนังสือวันก่อนเข้าไปออกมาสองเล่นให้ไปแต่มันไม่มีมากเท่าไหร่งงไจะได้ได้พิมพ์เพิ่มยังไม่เต่าเพราตอนนี้หนังสือมันเยอะ ค่ะอ ง, องค์บายของที่มีอยู่ให้มันหมดไปก่อนนะครับค่ะโอเคไม่ไมีอะไรเลยไม่มีค่ะขอบคุณพระอ า, าจ<ะ>ารย์ไปที่ดาราทิวาคุณอุสากับเดชยาแม่ลุงขับคุณพระอาจารย์ค่ะเปยังจอมที่พระเพียงใกล้หรือยังเหมือนพระอาจารจะรู้เลยค่ะ ก็ต้องรอสอนเด็กคอร์สทิศเทิมเสร็จนะคะน่าจะช่วงเปิดเด็กเปิดเทอมแรกๆน่าังพอแวะไปได้ค่ะน่าจะช่วงจะพักจะพักเวลาประมาณต้นหรือไม่ก็ยังไม่แน่ค่ะพรอาจารย์แต่ว่าเร็งๆไว้ค่ะก็ดีมีอะไรไหมคืนี้สำหรับโยมนะคะอาจารย์ เอ่อเมื่ อ, เ ม, อเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วโยมพาเพื่อนเพื่อนไปหาที่กเกษียณแล้วป่า60 65อัพถ้างั้นนะคะไปทําบุญที่วัดบนเขาซึ่งท่านก็ได้เทพแล้วก็เพื่อนเบอกว่าเพิ่งฟังทำจบครั้งแรกแล้วก็บางคนบอกว่าเนี่ยเพิ่งจะบรรลุธรรมว่าอายุ65ปีเพราะเขาไม่เคเห็นแบบพระป่าไะคะ <c oughs> แล้วก็เพื่อนเพื่อบอกว่าเออเนี่ยครั้งแรกเลยนนัที่พาไปขอบคุณโยมค่ะใจโยมดีทำไป และสำหรับโยมเองนะค ะ, ะการไปเดินของโยมรอบสนามเนี่ยค่ะเมื่อวันเมื่อวันศุ่นะมันมาเจออันนึงคือโยมเดินแล้วมันชอบไปตเตลิดอะคะ่ะความคิดมันไปแต่พยายามคุมมันอยากรู้ว่ามันจะไปตอนไหนพยายามจับว่าที่มันจะฟุ้งไปมันฟุ้งตอนไหนแล้วก็เลยบางทีเผลอๆปุ๊บไปคราวนี้โยมมาใช้วิธีการเดินนับจำนวนรอบของของเดินที่รอบอะคะ่ะเดินเท้าขวา สมมติว่ารอบที่เจ็ดใช่ไหมคะก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดท่องไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะแล้วก็ปรากฏว่าในหนึ่งด้านด้า น, ด, านด้านกว้างเนี่ยมันจะครนนี้เอาใหม่ก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดไปแล้วอยู่ๆไอ้เจ็ดนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เท้าค่ะมันมาอยู่ตรงกลางเอ๊ะอยู่ตรงไหนแต่ยังเจ็ดยังคงอยู่แล้วก็อยู่อีกทีหนึงก็ยังอัดช่งมันอยู่ตรงไหนก็ตามให้มันอยู่ที่เจ็ดเจ็ดจะมา่างมารู้ตัวทีคือเจ็ดมันมาอยู่ตรงลำคอนเนี่ยค่ะ แต่มันก็อยู่ที่เท้าแล้วอะค่ะมันมาอยู่ตรงนี้คือเดินรอบที่หนึ่งก็นับหนึ่งรอบที่สองก็นับ ส, สองนับไปแบบนั้นนะคะจน<ม>กระทั่งการว่มันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มันไม่ฟุ้งไปอะค่ะมันจะอยู่กับเจ็ดเจ็ดเจ็ดอย่างนี้ตลอดรู้สึกว่ามันมันเป็นไงคะจางไม่ ไ, ไนะ <laughs> <laughs> <laughs> ม่หวยนะจารยมจ้าหยมยมไม่ยมไม่เล้นหัวยค่ะจาง<ม>ยมไม่เคยถูมยมเลยเลิกเล่น นั่นเลยเจ็แล้วเกินคือแบบเพราะว่าไอ้รอบอื่นๆมันไม่มันไม่มันไม่เป็นไงคะจันพ mm hmm. อยู่รอบที่เจ็ดเอ๊ะมันไม่ได้เราจะกําหนดที่ขาขวาใช่ไหมคะขวัญเจ็บเจ็บเจ็ไมเรื่อยๆแต่อยู่ๆเอ๊ะมันไม่ได้อยู่ที่ขาไงคะมันมาอยู่ตรงไหนไม่รู้เอ๊ะอยู่ตรงไหนก็มันก็ไปเรื่อยๆคะ่ะแต่เจ็บยังคงอยู่แล้วก็ทัางมารู้สึกจริงจริงที่คอตรงนี้ mm hmm. ค่ะสำแหน่ที่ประจร คือตอนนั้นโยมจําได้ว่าตอนโยมผ่าตัดครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนพยาบาลเขาจะวางยาให้วางยาตลบอะค่ะแล้วก็บอกโยมว่าใช้โดมออกซิเจนโยมก็โอเครู้และว่าเขาจะวางยาเราโยมก็เลยพูดโทพูดโธพูดโทไปจากนั้นมันจะมืดจากปลายเท้าเข้ามาแล้วก็จากมือเข้ามาแล้วมันมารวมตรงนี้ค่ะที่คอแล้วมันสว่างวาบซึ่งแล้วก็มันก็หมดสติไปอะค่ะมันจะเคยมารวมตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ลืมไปแล้วค่ะแล้วก็มันเอ๊ะ มันมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วค่ะประมาณนั้นนะคะจังแต่ว่าโยมว่าอ๋อคราวนี้มันไม่มันไม่ฟูงแล้วมันกลับมาแทนที่มันจะอยู่ที่เท้ามันกลับมาอยู่ตรงนี้แต่เจ็บไม่ได้ใบนะคะยังอยู่ยังคงอยู่อะค่ะมันอยู่ที่ไหนก็ได้ก็สําสคัญแค่ใจเราอย่าไปคิดอะไรท่านนี่เพราะสมมติปกติรอบหนึ่งเนี่ยแต่ละซีกเนี่ยมันจะไปหลายเรื่องเลยแล้วโยมพยายามจับว่า มันไปตอนไหนอยากรู้ว่ามันไปตอนไหนที่มันจะไปปุ้บแล้วอื่นไปตอนไหนมันไปได้ยังไงพยายามจับมันนะคะคราวนี้ก็เอาใหม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ซ้ายขวาไม่พุทโธไม่ไม่ตามอารมณ์แต่ว่าลงเอาเท้าอย่างเดียวนับไปจับรอบรอบที่หนึ่งก็นับหนึ่งรอบที่สองก็สองสามเพื่อสามไปแบบนั้นนะคะจนกระทั่งเรามาไอรอบที่เจ็ดเนี่ยค่ะมันถึงปุ๊บอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแสดงว่ามันไม่ไปอย่างอื่นละค่ะจาย์มันอยู่ที่เลข จะนับเลขของเราอะค่ะนับเลขก็มันมารวมอยู่ตรงนี้ที่ตรงนี้อะค่ะไอข้ข้างๆเรามันจะไม่มีแล้วค่ะมันหายเลยก็อย่าให้มันเผยมาแล้วทำวิธีไหนก็ได้แต่วิธีนี้ใช้ได้อยู่ใช่ไหยคะถ้ไม่เผยก็ใช้ได้ทําไมหาหลบเลินเค่ะว่าทํายังไงไม่ให้มันไปแล้วก็จะซ้ายขวาซ้ายขวาก็ไม่ได้พูดโทรก็ไม่ได้อ่ะลองหาลองหามันไปเรื่อยๆค่ะ จนกระทั่งมาเจออ๋อเป็นแบบนี้ mm hmm. รู้สึกว่าเอาละเราเริ่มเราเริ่มหาทางได้ค่ะ mm hmm. แล้วก็พอตอนเย็นเย็นเสร็จงานยมจะต้องขับมาเสีแล้วเป็นนั่งเหมือนกับว่าไปเอาให้กําลังใจตัวเองค่ะหน้าโตรงริมสนามตรงที่เคยบอกอะค่ะแล้วก็เออมันโลง่งแล้วก็กลับบ้า mm hmm. เป็นอย่างเนี้ยอันนี้มารายงานค่ะแล้วเดี๋ยว <Yeah. S 2> คงต้องไปวิเวกอีกถึงจะได้ mm hmm. เพราะว่าจากทีอ่อาจารย์พูดเมื่อสุ่มที่แล้วว่า ทำมาหลายทบหลายชาติไม่ประสบความสําเร็จแสดงว่าความเพียรยอมย่อมยังไม่พอใช่ไหมคะก็มันอาจจะทํำไม่ถูกหรือว่าทํามันทําแบบไม่มีสติมันก็เลยไม่ค่อยได้ผลน่าจะเป็นอย่างนั้นต้องนันตัวสติให้มากที่สุดค่ะสาธค่ะโยมก็พยายามเดินแต่ว่านอนตอนนี้นั่งสมาธิจะไม่ค่อยนั่งอาจจะใช้วิธีการเดินให้มากที่สุด แล้วก็พอกลับนอนก็ดูลมหายใจตัวเองไปแบบนั้นค่ะดังนั้นจะได้ยินเสียงตัวเองหายใจอยู่ตลอดแบบนั้นจะใช้วิธีนั้นก่อนพยายามจให้สติมากกว่าอันนี้โยมก็มารายงานค่ ะ, ะอาจารย์น้วคนเดียสยามีอะไรไมโอเคอ๋ช่วงนี้ปฏิบัติน้อยลงค่ะพระอาจารย์เพราะว่าาค่อนข้า ง, งแน่นแต่ถ้าได้นั่งคืออือีแค่ ช่วงนี้คิดตลอดเวลาค่ะต้องคิดแลกคิดว่าจะต้องทํายังไงคิดโน่นนี่ก็เลยพอเวลาที่เขาเริ่มหยุดคิดนะคะยังไม่ถึงได้ยังไม่ได้เข้าที่ว่างอะไรค่ะผมก็รู้สึกสบายต่และรู้สึกว่ามันโล่งกว่าเดิมแล้วแล้วก็หยุดค่ะอาจารยยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่าบางทีพอนั่งไปปุ๊บเขาก็เริ่มเขาวงแล้วว่านั่งนานไปหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรีบรุกไปตัวตัวเวลามันจะยินเวลาไปนานเพราะช่วงนี้เอ ทำงานตารางมันแน่นเนี่ยค่ะพระอาจารย์ยังกัะคนค่ะยังเอาเวลาไปหาสตาอยู่ไม่หาสติแทนหาสตางคนฉลาดหาสติจริงค่ะมาเจอหยุดแล้วไปหาสติค่ะเพราะสติมันดีกว่าสตางเลยแต่สตางก็จําเป็นถ้าไม่มีสตางมันก็มันก็ลำบาก ก็ต้องมีสตางคบ้างแต่อย่าให้มันมีมากเกินความจะเป็นก็แล้วไปพอเขากลายเป็นว่าเพิ่มเพิ่มคอร์สแบบเพิ่มตารางงานขึ้นมาเพราะว่าอยากจะได้เก็บตังไปไปปฏิบัติทาแต่ว่าพอเวลาที่ทำงานปุ๊กก็อินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทา<ห>พอกลับมาก็ทุกคนเอ๊ะมนันนี้โอเครอหรือเปล่าทำดีหรือยังแล้วมันไม่ยอมหยุดคิดก็ นั่งสมาธิพอเริ่มหยุดคิดก็แบบ ต, ต้องต้องรีบนอนแล้วหรือโดนหลอกอะไรคะ่ะพระอาจารย์ต้องรีบนอนแล้วพอ ต, ตื่นขึ้นมาพอนั่งนั่คนิดหน่อยก็เดี๋ยวกลัวนานไปเพราะกว่ามันจะถอนบางทีถ้ามันอยู่นานๆเวลากว่าเขาจะถอนก็เคยเป็นมันถอนมันไปอยู่นานเหมือนกันกังวลค่ยังเลยยังไม่ได้รทต่อไปมันอาจจะนั่งไม่ได้นานก็ได้นะถ้าเราไ ป, ไ ป, <อ> ไ, ปไปเปลี่ยนมันเนี่ย ก็มันก็ม่ได้มีเสียได้สตางค์ก็อาจจะเสียสตินะงั้นก็ต้องเต็บรุ่นจริงเหมือนเดิมใช่ไหมคะไกลก็แล้วแต่เราหมือว่าเราต้องการอะไรอยากได้สติค่ะพระอาจารย์ไม่งั้นไม่มีสตางค์ก็พอพออยู่พอจริงก็พอ อย่าให้มันหลอกเราต้องวี่เยอะๆอย่าให้สลับปฏิบัติทันมนอาจะกลายเป็นคนโนบายของกิเลสก็ได้ค่ะเอาไปเอาไปคิดค่ะพระอาจารย์จะเอาไปพิจดณาค่ะค่ะอวิธีแก้กิเลสคืใช้น้อยๆนี่อปะลดค่าใช้จ่ายลองอยู่แบบบางน้อยนี่ปะจะได้ไม่ต้องหานมากค่ะ เพราะว่าสมมติถ้าไม่ถึงค่าอาหารที่จะต้องคื้อแบบกินทํากินเองอะไรอยงี้ค่ะก็จะใช้แฟนเพราะว่าต่ราคาต่างกันครึ่งต่อครึ่งอ่งนี้ค่ะพระอาจารกินน<ช>ันแค่เมื่อเดียวเองค่ะค่ะแล้วรสชาตจะจ่ายลงไปกับครึ่งค่ะค่าอาหารไปกับครึ่ง น, นะได้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ที่พระอาจารย์สอนเรื่องเกี่ยวกับเจอคนนะคะเพราะว่าเวลาเปิดร้านต้องเจอคนเยอะแยะเลย สังเกตได้เลยค่ะว่าทําให้สังเกตได้ค่ะว่าคนเขาไม่ได้ชอบเราทุกคนไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องมาว่าหรือมาว่าอะไรเราขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าเราก็เช็คดูว่าเราทําดีหรือยังเราทําอะไรหรือเปล่าค่ะรู้ถึงว่าเออเขไม่ทําอะไรเขาไม่พอใจเราก็เต็มที่แล้วเรื่องของเขาเรื่องของเขาไปค่ะมันง่ายขึ้นค่ะพระอาจารย์คือวันดีแล้วเขาไม่เขาไม่ด่าเราเขาไม่ช่างเราดีแล้วยังไม่ด่าเรา อช่ค่ะแล้วก็บางอย่างเมื่อวานค่ะกลายเป็นว่าคือนึกถึงอาซุพะขึ้นมาพอดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้อิวแล้วเพื่อนที่ทํางานที่เอ่อนิติเวรค่ะบอกว่าหน่วยงานที่ดูอะดูอาหารในกระเพาะตบอ่ะจะผอมเลยทุกคนเลยถ้าเย้เข้มงวดใช่ค่ะบอกว่าหน่วยงานนี้ไม่มีใครอ้วนเลยก็เลยแล้ว ภาพมันขุดขึ้นมาค่ะถ้าถ้านึกถ้านึกถึงตบแล้วนึกถึงตรงไหนมันจะขุดขึ้นมาแล้วมันเริ่มชัดเริ่มชัดแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่พร้อมอะค่ะอาจารย์ที่จะยังไม่มีอุเบกขาพอที่จะมองเขาก็เลยเที่โทรดับไปอะคะ่ะอาจารย์ถ้าบางครั้งเวลานั่งสมาธิเราหนูยังไม่พร้อมอืมมันก็ซูมเป็นภาพหนูเองกลาลังอึดแล้วหนูไม่ชอบภาพภาพตอนขึ้นอึดเปรตนั้นที่สุดเลยอะคะ่ะอาจารย์ถ้าตอนที่เราไม่พร้อมเราก็าเราไม่กล้ใช้พุทโธไปไ ว่าเดี๋ยวเกิดอาการทุกขึ้นมาแลยอาจจะเกิดปฏิเรียดไม่ดีก็ได้อโอเคอนนี้ก่อนนะมีอะไรไหมยมข อ, อนิดนะอาจารย์ยมคิดว่ายมน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์บอกคือทำไม่ถูกวิธีเพราะว่ายมก็ฝึกมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่ามันมไม่มีไม่รู้จะถามใครไงคะํำไปแล้วก็เราก็ทำไปเหมือนตามภาษา ทำก็อยากทำแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้องทํายังไงต่อไปแล้วก็ไม่พอมาเจอจันยีอ๋อแสดงว่าโยมจะต้องเนี่ยครับถูกแล้วเรื่องสติกเนี่ยก็อย่าให้เผลอป็นสติเลยอย่าให้เผลอใช่พอพเป็นอย่างนีิพโอชายแสดงว่าเราทํามาต้องทําจริงก็คือทำตั้งแต่เด็กๆอ๋อค่ะพี่แต่ว่ามันไม่ได้ผลมันมันติดค่ะแล้วเรารู้จะถามใครไงคะอืม โยมอโยมเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์ขอประคุณนะคะอาจารย์อ่าคนนีคุณหอทนทดาก่ทำนะานมาการตุลาภาราชารักาก็เออจริงๆโยมก็ไม่มีคาถามเลยมากสักขาวแต่ว่าก็ปฏิบัติอยู่แล้วก็โดยต่อเนื่องแล้วก็แบบเพิ่มความเพียงขึ้นมากนะสักขาราจาร์แล้วก็เอออย่างที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่าตอนนี้ก็คือแบบ เราเหมือนฝึกฐานเรื่องของสมาธิให้มันแน่นจริงๆก่อนแล้วก็ถึงจะไปแบบปัญญาอย่างมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะระอาจารย์แล้วก็พอดีได้มีโอกาสศึกษากับกลุ่มท่านใช้ชื่อว่ากลุ่มสมาธิและรูกประชาร์เจ้าค่ะก็คือแบบท่านก็จะสอนโดยละเอียดเลยอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทำสติตั้งมั่นการใช้เอ่อการสมาธิกองหลักๆ แล้วก็การเข้าฌานในประมาณนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีการแบบเหมือนส่งอารมณ์มีการแก้ไขกันทุกวันโยมก็ปฏิบัติตามมาระยะหนึ่งก็คือรู้สึกว่ามีสติที่มันตั้งมั่นขึ้นมากแล้วก็เราเหมือนสัมผัสกับความละเอียดที่เราอาจจะแบบไม่เคยสัมผัสในประมาณนี้มา ก, ก่อนอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะคือเดิมนั่งเองก็อาจจะแบบคิดไปเองบ้างเพิ่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยโดยที่อาจจะไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็โยมก็รู้สึกใช้ชีวิตก็ ดำเนินไปแบบสงบรับลื่นขึ้นมาเจ้าขับอาจารย์ใช่อยู่ที่สติเป็นหลักมันโดยสำคัญเจ้าค่ะก็ก็มาเน้นแบบตั้งแต่ฐานให้มันอักแน่นจริงๆอะไรเนี้ยเจ้าขาาับค่ะให้ว่างให้มั น, มนเล่นนี่ล่ะยังไม่ต้องไปรู้อะไรมากเรารู้มากพอแนละ้วอริยสัตจสี่ล้วก็รู้หนล้วนะใจรักเราก็นุ่งแล้วเนะสุภาพเราก็นุ่งแล้ว แต่เราละเลยเรายังตัดกิเลสไม่ได้ใช่เจ้าขาพระอาจารย์เหมือนกับไม่มีกําลังแล้วเราก็จะสร้างกําลังตรงนี้เจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็อาจจะมีคําถามเป็นเจ้าขาพระอาจารย์ก็คืออย่างเรื่องของเวทนาเนี่ยถ้าเราพิจารณาก็เออ่มันก็จะมีการใช้ตัวสมถะไปเอ่ออยู่กับมันหรือว่าปัญญาใช่ไหมเจ้าขะโดยที่ปัญญาเนี่ยคือมันก็ เหมือนกับต้องมีฐานของฌานของสมถะรองรับอยู่ในจักขัมญาณ์ปัญาจะสอนเราวิธีปฏิบัติกับเวทนาไม่ปฏิบัติอย่างไรก็คือให้เราปล่อยวางเพราะมันเป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาที่เราจะปล่อยได้ไม่ได้ก็อยู่ที่อุเบกขาของเรามันโยกไปลอย่านถ้าไม่มีอุเบกขาเราก็ต้องใช้สติสร้างมันขึ้นมา ใช้คำวใธีคำพุโทโธพุโทโธอยู่กับอยี่วกับเวทนาไปอย่าไปอย่าไปขยับอย่าไปทําอะไรเวทนาไปมไปอยู่เฉยๆเรามาทําใจให้นิ่งให้อยู่กับมันให้ได้จ้องค่ะอาจารย์ญาปัญญ า, ญญาผู้บอกเหตุผลว่าเราควรจะทํำอะไรกับเวทนา สัญญาก็บอกว่าเราทําะไรมันไม่ได้เราต้องปล่มันอยู่ตามสภาพของมันไปเราต้องเฉยเฉยกับมันอย่าพยายามให้มันหายไปอยาาพยายามให้มันอย่าอย่าพ ย, ย, ยายามนี้อย่ามันไปเจ้าค่ะซึ่งแบบเราจะ เ, เฉยได้ด้วยผ่านของสมถะใช่ถ้าเรามีสมาธิเราก็ยินใช้ได้เราไม่เฉยถ้า เราไม่มีสมาธิไม่มีเหวขาพอเราก็จะไม่เฉเราก็อย่าเดินดิน้นอย่างอยากอยู่ได้อยากจะอยากจะบันหายอยากจะให้มันนี่อยากจะขยับอยากจะเปลี่ยนอินญาบดอะไรอย่างเงี้ยเราะฉะนั้นเราต้องหยุดตัวความอยากตัวนี้ให้ได้ถ้ามันยังมีความอยากตัวนี้อยูตัวความอยากนี้เป็นสนมถยเป็นตัวสร้างครามทรมารใจไม่ใช่ตัวเมตนา ต้องเวทนาไม่ได้เป็นตัวสร้างทํงความทองหวานใจทุกทุกใจและความอยากให้เวทนาเป็นหายตัวนี้เจ้าค่ะโดยที่ก็จะเป็นในระดับคือถ้าแบบเป็นชามนี่ก็ต้องเป็นแบบชามสีอะไรเปล่าอาจารย์อาจารย์จะแบบไม่รู้แหละถ้ามันต้องใช้สติ ต, ตัวเดีย ว, ตต ว, ยวมันจะชามไหนก็แล้วแต่ถ้ามันยังไม่เนิ่งก็ต้องใช้สติตทำให้มันเนิ่ง มันเอาไปแช่ไว้อยู่ชานสามชา 4, นสี่น้ำไม้มันเล่นเฉยเฉย่เปไปเดือดร้อนกับเวทนาไมาใช้ได้ถ้ามันยังเดือดร้อนอยู่ก็ต้องใช้สติหยุดมาให้ได้จ้าข่าพระอาจารย์ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตคุณคัทาพุศเอาโอกาสนะครับอาจารย์นะการในวัฏสงฆ์ครับ มีอะไรไหมมีอะไรไหมวันนี้มีคําถามว่าถ้าสมมติเราภาวนาแบบพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยเนี่ยพอาจารย์แล้วแล้วที่สุดของของการภาวนาเนี้ยมันจะไปหยุดที่ตรงไหนพระอาจารย์ในกามันก็จะแน่นสงบนะระว่าเย็นสบายแต่โดยที่เราโดยที่เราก็แค่ภาวนาอย่างเดียวไม่ไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยนะไม่ต้องทำอย่างอื่นเราพุทโธไปเรื่อย พอมันสงบแล้วการพูดการพรวาพูดโทมันก็จะหยุดไปเองโดยตานอนเหมือนการรับประทานอาหารเนี่ยเวลาเราประทานอาหารแล้วก็รับประทานไปเรื่อยใช่ไหมพอพอมันอิ่มบ้างเราก็อยุดเองนะฮะคือคือนิวรมันก็จะหายไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมครับทุกอย่างหายไปหมดแล้วแต่ความว่ากความเย็นครับสบายบองที่ร่างกายก็หายไปด้วย แล้วพอพอถ้าสมมติเป็นอาการซาภาวันที่อาจารย์วานเนี่ยเราก็ก็ก็อยู่อยู่อยู่ไปอย่างนั้นไปเลยไม่ต้องไม่ต้องภาวนาต่อแล้วก็ยังไม่ต้องออกไม่ต้องทําอะไรขนาดไหนครับไม่อยากจะไปไหนแนละ้วเอาใจจุนนั้นมันก็อยากจะอยู่ น, ะ น, น, น, นานๆโดยไม่ต้องถามใครนะเพราะมันแสนสุขเมื่อเสุบร้อสุบน้ อ, นอมันอยู่ตรงนั้นนะโอเคแล้ว <Okay. S 2> มันอยากจะกลับไปสู่จุนนั้นมากขึ้นมากขึ้น ออกมาแล้วมันก็อยากจะกลับไปใหม่มันก็จะช้ามันก็จะเพิ่มเวลาให้กับการปฏิบัติมากขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความสุขเงินเงินช่วความสุขแบบนี้ไม่ได้โอเคอาจารครับตัณฑ์ตัวเดียวนั่นแหละให้พุทโทโทอย่างเดียวอย่างชิ้นอะไร ให้มันอยู่กับพุโทโธไม่มีความคิดอื่นเข้ามาแทรกมันว่าแทรก็ไม่ต้องไปสนใจอยู่กับพุโทโธไปอยาอย่าไปตา ม, มาคิดเกี่ยวเรื่องความคิดต่างๆ <c oughs> แล้วแล้วคืคือผ้าภาวนาอยู่เนี่ยแล้วมันมีเอความรู้สึกจากฐานอื่นที่มันเด่นชัดกว่าเลยก็ไม่ต้องสนใจไม้องยุ่งไม่ต้องยุ่พุทโธตัวเดียวโอเคได้ครับ กำลังทำอยู่คุณปางวะไรจากเสียชาเสียยอมหยุดเย็นยิ้มอะะพระอาจารย์เจ้าคะวันนี้ที่ไปฟังธรรมเจ้าค่ะก็จะมีพี่ที่เขาฝากคําถามก็ไม่กล้าถามหน้ากุฏิค่ะมีสองถามนะเจ้าคะผมเอาย่อๆค่ะคําถามแรกคือสามีภรรยาค่ะที่แต่งงานกันแล้วเขา เขาจดทะเบียนกันแต่ว่าสามีไป ม, มีผู้หญิงใหม่แล้วก็ภรรยาก็หนีหนีไปอยู่ที่ที่อื่นนะคะแล้วเขาก็พบรักใหม่ค่ะ ค, คาถามคำถามคื อ, อ, อถ้าพูดถึงสินสินค่าในข้อสามนะคะอันนี้ถือว่าผิดสิมันก็น ม, มันก็ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอะทะเบียนเป็นเพลงแต่กระดาษคนที่ยามาแบกทรัพย์สินกันเทนั้นเอง ต, ตามนนตามพฤ ต, ตินายมันไม่ได้เป็นสามีภรรยาต่างนะาคนต่างอยู่กันนะพอหนูฟังคําถามนี้หนูก็ใช้ปัญญาไปด้วยค่ะต้ก็มองว่าจริงๆแล้วน่าจะอยู่คนเดียวดีกว่าเจ้าค่ะสบายต่ถามที่สองเจ้าค่ะพี่เขาบอกว่าคนที่ทานเล่าอะคะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาในเรื่อ ง, องการทําสร้างปัญหาให้สังคมซึ่งเขาเคยได้ยินจากครูบาอาจารย์เคยพูดว่าคนที่เคย คนที่มีพฤติกรรมเล่าแล้วมีพฤติกรรมไม่ดีอ่ะค่ะก็จะติดมาจากชาติก่อนๆในชาติเนี้ยค่ะสามารถที่จะชดใช้กรรมแล้วหมดไปได้เลยไหมเจ้าค่ะกรรมที่ทำมาแล้วเราต้องรับใช้ต่อไปเป็นป น, นี่เก่าเราต้องใช้ไม่ใช้หมดเมื่อไหร่กรรมมันก็หมดไปคนที่มีนิสัยที่มีนิสัยไม่ดีติด ติดตัวมาทุกๆก็แก้ได้ครับเปลี่ยนได้ก็คือต้องเข้าเข้ามาอย่างองคุลิมาเนี่ยก็ยสายชอบฆ่าคนเหนื่อพอเจอพระเจ้าพระเจ้าสาไว่าอยาไปฆ่าคนเหนื่อยให้มาฆ่ากิเลยเขาว่าฆ่ากิเลยเขาก็เลยได้เป็นผ้าหันขึ้นมาเขาไม่ฆ่าคนถึงต่อไปถือว่าท่านโชคดีมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเราเราเนี่ต้องใช้กรำหลายชาติ ก็วันนี้รายงานการปฏิบัติธรรมนะคะไปอยู่วัดตั้งแต่เช้าค่ะก็มีโอโกาสที่ที่จะได้ภาวนาค่อนข้างเยอะค่ะตั้งแต่ที่ถวายอาหารแล้วก็ฟังธรรมที่ศาตว์อาแล้วก็ไปอยู่ที่พระพมรมธาตุค่ะคะแต่ว่าพอดีได้ได้เคล็ดจับที่พระอาจารย์เทศห น, น้ากุติเมื่อเมื่อกลางวันเนี่ยค่ะที่พระที่พระจารย์พู์อื่เรื่องของการทานข้าวมื้อเดียวแล้วทานให้เต็มที่ค่ะพอดีเมื่อเช้าหนูก็ตั้งใจว่าอัดให้เต็มที่ทานเสร็จ ก็ไปนั่งอะค่ะแล้วก็เดินแล้วก็ถ้ารู้สึกมัน ง, ง, ง่วงก็เดินจงกรมแค่ครั้งเดียวเพรช่วงบ่ายเหมือนแรงมันพ่อยลงอะคะ่ะก็ก็มีตอนฟังคำก็มีมันจเจ็บเจ็บรัศมีหมอกค่ะเดี๋ยวเดือนหนูจะลองไปจัดตารางใหม่อีกทีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอะกินน้อยๆถ้าอยากจะปฏิบัติได้ก่อนนี้ต้องให้มันหิวหิวหน่อยเพราะเวลามันหิวสติมันจะดีคถ้ามันหิวแล้วสติมันจะไม่ดีค่ะ ขอบคุณคจ้าค่ะ ท, ที่ปุณทิพวรรณไอเดโฮยูเอสเอไวซี่มื่อคืนนี้ก็เข้ามาภาษาจีนวันนี้มาภาษาไทยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์หลวงพ่อค่ะโยมได้ฟังวิศัชนาครั้งที่ห้าสิบเก้าอะค่ ะ, ะก็ทราบถึงในรถพระธรรแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงเข้าใจได้ทั้งหมดแต่ก็ได้ เรียนรู้เพิ่มเติมย้ำเตือนค่ะีอยู่ยที่หัวข้อว่ามันเป็นสุดท้ายของชีวิตใช่าหมค่จิตค่ะจิตจิตโือเรื่ะใช่ค่ะก็นับเป็นธรรมะสั้นละเอียดนะคะยมก็มจะฟังซ้ำเพราะฟังของแต่ละครั้งได้ความคิดคลิกขึ้นมาต่างกันแล้วก็เห็น ความเชื่อมโยงอะค่ะของ<ม>ธรรมะตั้งกราบขอพระคุณพระอาจารย์ค่ะโ<ม>ยมมาฟังต้นต้นของคุณหมอแล้วก็คนอื่นๆเกี่ยวกับจิตก็ไม่ใช่ของเราเวทานาก็ไม่ใช่ของเราที่พระอาจารย์หลวงพ่อ<ม>ตอบอธิบายค่ะ<ม>แต่โยมไม่คลิกค่ ะ, คะเพราะว่าโยมมีประสบาการณ์ว่าสุขทุกข์อันเนี้ยพอจะมองเห็นมันเป็นไตรลักษ แล้วก็ให้มีสติอย่างที่พระอาจารย์หลวงพ่อย้ำเสมอว่ามันจะอัตโนมัติคาะมันก็จะรู้ว่ามันเกิดขึ้นไดน้มันก็ดับได้มันก็จะอยู่ง่ายขึ้นแต่โยมาเจอคาว่าเวทนาไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเราแต่เราก็ยังรู้สึกเราสุขเราทุกข์แล้วเรายังรู้สึกว่าเราไอ้ทุกข์เนี่ยเจ็บเช่นเราจะไปฉีดยาเราไม่คุ้นเคยเราตับความเจ็บ แล้วโยอมพยายามคิดนะค่ะว่าแล้วเราจะเอาจิตไปไว้ที่ไหนเพราะเรารู้สึกเจ็บมันคือสมัมตัวสัมปัตยัญญาก็แปลว่าในสมาธิไงจะฝึกสมาธิการไปอยู่ในสมาธิพอจิตอยู่ในสมาธิมันก็จะแยกออกจากเวทนาแล้ว อ, อกจากร่างกายแ้วมันก็จะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายเป็นอะไรเวทนาเป็นอะไร แยกฝึกสมาธิก็เพื่อแยกแยกขีดออกจากร่างกายออกจากเวทนาเลจจยครับใจล้วค่ะเราฝึกดูเราฝึกฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วจะเห็นความแตกต่างของจิตที่สบงบกับไม่สงบว่าเป็นเหมือนดินกับฟ้าพ้ากับดินเป็นเหมือนคนละคนนะเจค่ะเราพระอาจาร ใช้ภาษาอังกฤษเมื่อวานเนี่ยค่ะจานะฌานเนียว่าฌานฌานะก็คำว่าฌานพยมไม่แน่ใจค่ะเขคุณนนะคะจิตก็เรียกว่าจิตตะถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยเพระาะภาษาอังกฤษเขาจะแปลตรงตัวบาลีจิตตะแต่ส่วนใหญจะใช้าม า, มาไม้ศีลาศีลาก็ศีล ศีลาก็สิงศีลดานาก็ทานทีนี้ตัวทําไมใช้ตัวดีตัวแทนตัวทอพราในภาษาบาลีเราไม่อ่านว่าทานเ้าอ่านว่าดานดานะภาษาบาลีทอทานเน้่ออกสิงเป็นแต่ของภาษาอังกฤษเขาก็เลยออกเป็นตัวดีไปดานะานาะศีลภาวนา ทานสินโตนะเข้าใจไหมทราพย์สิงค่ะโอเคมีอะไรไหมยังไม่มีค่ะที่มีก็รู้ว่าตัวเองยังไม่พอค่ะาอาจารย์อารมณ์ทําได้ละเอียดค่ะก็ต้องศึกษ า, ามานันศึกษามันต้องสี่สิบกว่าปีตั้งแต่จบวิวยาศาสตร์มา ก, ก็มาเรียนต่อเนี่ยเรียนต่อทั้ง พุทศาสตร์ต่อทำปอดี mai, โทรไป่ทรเองทำพุทธศาสตร์เราพระอาจารย์กล่าวอีก huh. ค <Okay. S 1> ํานึ่งค่ะเมื่อวานที่ว่าโสตปานานี้หมายถึงโสนามันเนี่ยโสตโสตปานะอ่านนภาษาไทยเราอ่านไปตามตัวตัวอักษรมันก็อ่านเป็นโสนามันแล้วตัดตัวณ์ไป ถ้าภาษาบาลีมันต้องโสตพันธนะค่ ะ, ะครับอขอบคุณมากค่ะอาจารย์สุดยอดเลยค่ะโอเคอ่าทุกไปที่คุณสุภัสตาต่อ USA เอมันกันเท็กซัสเดอะรัสเท็กซัสหนาวกันเลเหรอจับน้ำมาสการอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้กลับมาหนาวอีกเจ้าค่ะประมาณ <laughs> สลับไปสลับมาแต่ Texas นี่ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะเนอะค่ะวสัปดาห์ที่แล้วยังอุ่นๆหน่อยพอมาวันนี้ประมาณเก้าองศาหกองศาเจ้าค่ะพ่ะเจ้ากลับมาหนาวแต่ว่าเดี๋ยวไม่กี่วันก็อุ่นอีกอ่ะเจ้าค่ะสลับไปสลับมาเจ้าค่ะ้็ไม่มีคํำถามเจ้าค่ะไม่โดนทอร์เนโดเขา Texas ไม่โดนนะมีไหมพายุเข้าแต่ว่าไปลง พัดไปลงตรงนู้นนะเจ้าค่ะที่มิสซิสซ็ปปีอลาบามาเจ้าค่ะแต่ลมลมลมแรงเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ลงโชคดีเจ้าค่ะที่บ้านรอดมาหลายหลายรอบแลวเจ้าค่ะอยู่อยู่อยู่ก็อยู่จัสตินห่างจากดาลัสประมาณชั่วโมงกว่าก็ก็รอดมาหลายส่วนใหญ่จะไปแถวดารลัสหนักหน่อยอเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะลูกก็ฝึกปฏิบัติ ทุกวันเจ้าค่ะอย่าพยากามอย่าหยุดถ้าหยุดนะเหมือนมันชัดชาชเามากนะมันจะถ อ, อยเหมือนกับจะถอยหลังเจ้าค่ะเจ้าค่ะได้คําสอนของพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกก็น้อมนําเห็นเห็นทางเพียงแต่ว่าความเพียรและกําลังยังน้อยอยู่เจ้าค่ะก็สร้างความเพียรแล้วก็สร้างกําลังขึ้นมาเรืๆๆ่อยๆเจ้าค่ะท<ะ>ุะกวันทุกวัน คนไมรู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว mm. ่าไม่อยู่เจ้าค่ะเนี่ยพอนั้นตกก็ะเล็กไปก็จะเมือกับเป็นกันมาเลยบานบัวมันก็จะบานออกมาเลยเจ้ค่ะบางครั้งก็เหมือบางคือคือเหมือนกับแบบบางครั้งเขาคือแบบเห็นนะเจ้าค่ะคือเข้าใจแต่ว่ากําลังกําลังที่จะไปยังไม่มีมีแรงพอก็พยายามสะสมนะเจ้าค่ะแล้วก็ความเปี่ยนการดูเบค้า ก็ก็สร้างพยายามสร้างอะเจ้าค่ะเห็นทางอย่างที่พระอาจารย์สอนคืออย่างน้อยลูกคิดว่าโชคดีที่ชาตินี้เกิดมาได้ได้ได้แนวทางได้แผนที่อะเจ้าค่ะที่เหลือก็คือเดินอย่างเดียวเดินบุก <laughs> ตองปังเดินเอาแผน <laughs> นี้เขาบรรจุแผนที่นี่ให้อยู่ในใจให้ได้ต้องมี<อ>ในใจแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องมีใครมาคอยบอกทางเราแล้วนะ เจ้าค่ะก็บางครั้งก็เหมือนกับรู้สึกว่าเออตัวเองก็ได้ได้เหมือนค่าตอบแทนเจ้าค่ะก็เหมือนกับว่าได้เงินเดือนเป็นบางครั้งเจ้าค่ะแต่นานๆจะได้จะได้เงินเดือนนานมากบางทีดีความไม่ได้เลยดีกว่าไม่ได้ปีปีหนึ่งรู้สึกว่าบางทีแบบได้เงินเดือนประมาณแค่แบบชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าปีนึงบางทีก็แค่ชั่วโมงแตอย่างน้อยก็เป็นก็หายเหนื่อยก็หายเหนื่อยคน้าทีตาคังก็หายเหนื่อย เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เหมือนว่าเอาไม่เป็นไรไปอีกปีไปอีกปีก็คงเดี๋ยวจะได้อีกสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเป็นเงินเดือนเก็บทีละนิดทีละนิดสะสมไปเจ้าค่ะไม่ไม่เหมือนทางโลกเจ้าค่ะไม่เหมือนทางโลกเลยได้เงินเดือนเห็นชัดชัดชัดกว่าแต่ว่าที่นี่สะสมนานมากแต่ว่าคุ้มค่ากับการสะสมเจ้าค่ะได้ทีแล้วมันคุ้มจริงๆเจ้าค่ะ ลูกจะพยายามต่อไปเรื่อยๆเจ้าค่ะลูกลูกขอขอบคุณอ่าน้องจำไม่กับจัตตีกับจำไม่จำแกับเจ้าค่ะจำแมทกับจัตจัตนะคะที่น้องเขายกเอายกข้อยกเกี่ยวกับเรื่องสามสิบสองประการแล้วก็เจ้าค่ะทําให้ลูกกลับมามองมองตามเวลาน้องเขาพูด พระอาจารย์สอนนะเจ้าค่ะก็เลยไปมาลูกก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจะให้ลูกเวลานั่งเนี่ยมันรู้สึกสงบแล้วนึกถึงคําที่พระอาจารย์สอนน้องไปด้วยเจ้าค่ะก็เหมือนกันเราได้ทบทวนก็ก็ขอขอบคุณน้องที่ที่ยกขึ้นมาแล้วพาให้พระอาจารย์ยกตรงนี้ขึ้นมาสกลสอนนะเจ้าค่ะเตือนสติทุกวันพุธยามแล้วก็อ่ามองมองร่างกายกันเท่าไหร่มองแต่เฉพาะข้างนอก เจ <m uch ing> ้าค่ะแล้วพอเห็นน้องก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอ้เขาเด็กมากเลยเราอายุขนาด น, นี้แล้วเนี่ยเรายังแบบไม่ได้เท่าน้องคนไหนอะไรหลายอย่างก็เลยเป็นกําลังใจว่าเ อ, อ้ยเราก็ต้องพยายามหน่อยนะก็ม <brewer y> <c oughs> ี น, น้องเขาสองคนเนี้แล้วคะที่ที่เป็นตัวอย่างให้ให้เราผู้สูงวัยแล้วควรจะควรจะพยายามมากขึ้น <c oughs> มีความเพียรมากขึ้นเจ้าค่ะ เอ่ค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณนมองภาสนะกทมกลับมารดาค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ยังยังรักษาคือยังรักษาความสงบแล้วก็ความสุขได้ตลอดค่ะะอาจารย์นี่ก็กลับมาจากกรุงค่ะก็ ต้องขอบคุณคุณพระอาจารย์มากเลยอะเพราะว่าพอพระอาจารย์สอนแล้วปฏิบัติตามทำแล้วเอาฟังตอนนี้ก็ได้อ่านอ่านประวัติของภูเขาอันนาโยที่อยู่ในที่อยู่ในกระปน็อตอพระอาจารย์อนะมันโหลด ก, ก็มาอยู่ในเครื่องก็ไม่รู้ก็เลยเปิดอ่านรู้สึกอ่านแล้วเข้าใจแล้วก็ชอบคําว่าอันนาโยมากพระอาจารย์กายจาก<อ>ความกังวลนะอันนาโยอ่านแล้วก็เลยอ่านแล้วก็เลยพอจบฟังหลวงตามหาบัวจบแล้วนะคะพระอาจารย์จบถึงปีห รอที่คุณใช้อัดมาจบหมดทุกอย่างแล้ว<ม>ก็ขอบคุณพระอาจารย์แล้วมันทําให้แบบเดี๋ยวเดียวตอนนี้ก็เริ่มมาเริ่มมาอ่านอ่านใหม่อันนั้นฟังใช่ไหมคะจะมาอ่านแล้วก็เอาของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์ให้ตอนปีใหม่อะค่ะที่เป็นรวมของพระอาจารย์เน่ยก็ฟังหลวงปู่เทสเหลวงปู่หลุยแล้วก็หลวงปู่ฟัน่นอาจารย์หลวงค่ะต้องขอบคุณพระอาจารย์มากเลยเพราะว่าคือถ้าเป็นสมัยก่อนคงความไม่เข้าใจแน่ๆเลยค่ะหลวงปู่ฟันนั้นพูดพูดแบบว่าเอ้ยฟังแล้วมันยิ่งทําให้มันเขา มากขึ้นเรื่อยๆคระอาจารย์แล้วก็เข้าตรงธรรมะผู้ดูอ่ะวันนี้ประชุมอาจารย์ก็เป็นผู้ดูก็รู้สึกดีมากเลยคระอาจารย์ก็เราไม่มีอารมณ์อะไรแต่ว่าก็เวลาใครให้ช่วยอะไรก็ช่วยแล้วก็ไม่สนใจตั้งแต่ทั้งส้นก็คือช่วยอ่คระอาจารย์ใช่เค็นความสุขและได้ผลตอบแทนนั้นจากการกระทำของเราเองโดยที่ไม่ต้องให้เข้ามาให้อะไรเราใช่จริงจริ อันนี้่านไม่เจอเพราะอาจารย์สงสัยคงได้ไม่รู้ใเพราะว่าบอกมันจะไม่เข้าใจอย่างพระอาจารย์มันเหมือนกับอ่านเคยจริงจริงเคยที่มันก็อ่านเองแล้วปฏิบัติมามันไม่รู้เรื่องนะพระเพราะพรอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์บอกทําพรอาจารย์บอกก็เอาไปทําเลยเพราพระอาจารย์บอกก็ทําเลยมันก็ทําให้เข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์ขอบคุณมากเลยอ่ะมันมีความสุขมากเลยนะอาจารย์ดีมากดีมากพยายามปล่อยไปเรื่อยๆนะพะอาจารย์อยไป ป่อทุกอย่างไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นของเราค่พะพอาจารย์คํานี้นนนนนแหล ะ, ะพระอาจารย์ทําให้รู้สึกมีความสุขมากเลยมันทาให้แบบอืมโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีค่ะพระอาจารย์เคยังไปที่น้องเอาบอกวินน้องเอินในวันสักการค่ะไม่มีคําถามค่ะไม่มียังไปที่น้องแมนต่ออุณดอนจากวันสักการ์ค่ะคะอาจารย์ วันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ถ้าไม่เจอพระอาจารย์ก็ไม่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะต้องขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะคะเธอค่ะอะไรที่ค e ุ Kansas ยินดีต่อ cancer cancer ดนภัยรึป่าไม่ค่ะท่านอาจารย์ก็ <S <S 2> <S 2> มีลมแรงอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนคุณชุพาตาเลยค่ะท่านอาจารย์ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเมวนก็ติดลบแต่วันนี้ผ่าช่วง วันนี้ช่วงเช้าศูนย์แล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยคะยี่สิบกว่าค่ะยี่สามแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ลมแรงแล้วมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงอย่างไปเรื่อยเรื่อยค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะท่านอาจารย์ก็ไม่มีอะไรนะคะท่านอาจารย์เดวิดก็เหมือนเดิมค่ะเช่นเดิมค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะท่านอาจารย์บอลซองเต้ค่ะก็อาทิหน้าอาทิหน้าลูกเดินทางแล้วลูกจะไปกลับบัานเพื่อนหนู รู้ถึงนู่นวันเพื่อหาดอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะที่เป็นสภัทนาตาอวินเหมือนกันการนมัสการพระอาจารย์ก็ค่ะตอนนี้ก็เพียนเรื่องสติก็ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเราเอฝึกเรื่องสติใช่ไหมคะพระอาจารย์มันจะมันจะเห็นความเห็นความคิดความคิดที่ทําให้เราไม่ไม่สบายใจ พอเราพอเรารู้ว่าเราไม่สบายใจเราก็กลับไปอยู่กับกับปัจจุบันก็คือมาอยู่ยฝึกสติต่อแล้วทีนี้มันมันเอ๊ะว่าเมื่อกี้เรายังไม่พอใจอยู่แล้วตอนนี้เรามาเป็นปกติแล้วก็เลยครับก็เลยเห็นว่าการที่เราไปอยู่กับกับกับความไม่พอใจอันนั้นก็เพราะเราไปคิดปรุงแต่งเจ้าค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็พยายาม เปลี่ยนว่าพยายามรักษาใจอย่างที่พระอาจารย์เคยสอนก็คือให้ให้ให้จิต ใ, ใจเราอยู่เป็นปกติไม่ไม่ไปเสียใจไม่ไปน้อยใจรักชางกลัวหรือเจ้าพระพระจน์ก็พยายามเรียนตรงนี้ด้วยเจ้าพระพระจน์อืมไม่ใช่สติคอยดึงมากก็ค่ะพุทโธพุทโธไปก็ค่ะแล้วพอพอเรามีเหมือนกับมีมีสติได้มีสติมากแล้วมันก็จะทําให้เราอยากตั้งสมาธิเจ้าอืม เจ้าค่ะอนนี้ก็เรียรตรงนี้อยู่เจ้าค่ะพอาจารย์อ่าใูกูเจ้าค่ะตะวันจอเนียร์ไม่าจะพูดหรือเปล่ายังปิดกล้องอยู่ยงไปที่จุบกอเบก่อนอ๋อพระอาจารย์ค่ะมาแล้วเ่ามาวันนี้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรค่ะคือหน้าจอมันดาอะค่ะก็คือเครื่องนเร็จเครื่องแต่ว่าใช่ค่ะจะไม่เป็นไรใช่ไหมคะพรอาจารย์ได้ได้พูดได้ไม่ด้ไ็ได้าระอาจารย์ตะวันร ครับคุณผู้ชมครับย่นดีครับวันนี้ไม่มีคำถามครับไม่มีคำถามเลยแต่รายการอย่างเียมีคำถามารือเปล่ามีอาการ32วาร์บมามีมีมาส่งมีมาช่งเพิมด้วยแต่การแต่หน้าเจามันดำค่ะพระจันทางั้นผัดไปสัปดาห์หน้าได้ไหมคะน้ามาดูมาแล้วเหรอวาดมาเรียบร้อยเป็นโปสเตอร์ใหญ่มากเลยค่ะพระจันเด้เอาติดไว้ในห้องนะในห้องนอนได้เห็นภาพ ค่ะอืค่ะโอเคมีอะไรไหมมีอะไรไหมผมยังเออไม่มีแครับพระอาจารย์ไม่มีแม่เลไรบ่าเออ๋ามีค่ะของของโยมมีค่ะพระอาจารย์ก็คือเอสัปดาห์ที่ผ่านมาโยมอฝึกพิจารณาเรื่องการเสียสละของรักของห่วงนะคะพระอาจารย์ทีนี้อพระอาจารย์เคยสอนว่าควรจะ คิดล่วงหน้าว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมคะ mm hmm. ทีนี้โยมก็มาคิดว่าเออถ้าเป็นสิ่งของเนี่ยโยมคิดว่าโยมจะสละได้ง่ายถ้ามีคนมาขโมยของไปอะไรแบบเนี้ยคงจะไม่ไปโกรธเขาก็คือคงออยอมให้เขาเอาไปอย่างเนี้ยค่ะคือไม่เอาเรื่องเอาความนะคะ mm hmm. แต่ถ้าเป็นเป็นบุคคลอย่างเช่นว่าเป็นเป็นสา ม, มีอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. โยมก็มีคําถามตรงๆที่ว่าอโยมจะสร้างเงื่อนไขนะคะว่าถ้า ถ้าสามีเขามาขออนุญาตโยมโยมถึงจะให้ไปแต่ถ้าสมมุติว่าไปทารับหลังเราแบบเนี้ค่ะรับโยมอาจจะโกรธแบบนี้ค่ะพระจะคือให้ไปแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขว่าเขาต้องมาขออนุญาตเราก่อนแบบนี้ค่ะพระอาจารย์โยมก็ไ ม, ไม่ไม่กล้าว่าทําไมทําไมใจกิเลสมันไปตั้งเงื่อนไขแบบนั้นนะคะพระอาจารย์ก็เพรอะไรถือว่าเป็นข อ, อ, องเรงอาอยู่อ๋อค่ะมันเป็นตัวมันเป็นของเราค่ะมันจะทำอะไรกันเรื่องของเขา อ๋อมันเป็นตัวมาณะด้วยไหมคะพระารอัตตาใช่คืออัตตาอ้าตาเราเป็นเราเป็นเจ้านายเขาเขาเป็นของเราจะเป็นเจ้าน่ะค่ะพระสารเราถึงต้องมาขออนุญาตเราโอถ้าเราเพิดกียรตว่าถ้าเราเป็นคนใช้เขาก็เขาต้องมาขออนุญาตเราโอใช่ค่ะอันนี้มันก็เป็นทิฏฐิมานะของโยมใช่ไหมคะว่าเขาจะต้องมาให้เกียรติห้องให้ความเคารพต้องทําแบบนั้นได้นี้ถึงจะอนุญาตแบบนี้ก็เรายังมีอัตตาตรงๆมาก อ๋อค่ะพระอาจารย์โยมก็อ๋อนี่อ๋อเหรอคะต้องการทำตัวเป็นเป็นคนใช้เป็นแจ๋วพระเจ้าจบอกทำตัวให้ต่ําที่สุดอ๋อค่ะพระอาจารย์อันนี้จะต้องฝึกกิเลสไอฝึ ก, ฝ, กฝึกสมาธิให้มากใช่ไหมคะถึงจะตัดกิเลสถ้าคิดแบบเอจะมาที่นี่เล็กน้อยแล้วไปพิจารณาเนี่ยตรงนี้มันจะตัดไม่ขาดใช่ไหมคะพระอาจารย์หรือว่ายังไงก็แล้วแต่บางทีมันก็ตัด ถ, ถ้ามันมันตัดขาดก็แสดงว่าเราก็ ก็ไม่ก็อาจจะมีกำลังพอที่จะตัดนี่บางเรื่องมันอาจจะตัดยากกว่าบางเรื่องมันเหมือนกับเชือกรับเชือกมันก็มีหลายขนาดใช่ไหมเชือเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นเล็กก็อาจจะตัดได้ง่ายแต่เส้นใหญ่เนี่ยจะต้องฟันหลายๆรอบถ้าไหวไม่ไา้แสดงว่าเราต้องไปฝึกสติฝึกสมาธิให้มากขึ้นค่ะอืแล้วก็มองกลับการอย่างสมมุติว่าถ้ามีคนมาขโมยของ เป็นสิ่งของจะเป็นเงินหรือเป็นกระเป๋าได้แบบนี้ค่ะที่โยมชอบโยมรักอย่างเงี้ยโยมก็เฉยเฉยไม่รู้สึกสยามแต่ถ้าสมมติว่ามีผู้หญิงที่เขาจะพยายามที่จะมาขโมยของหรือแย่งแย่งแย่งแยกสามีไปอย่างเงี้ยจะรู้สึกยามนะคะพระอาจารย์ถ้าสามมติเขาว่าขอเราดีๆก็คือยกให้ไปเลยแบบนี้ผมก็มแปลกอยู่ทําไมใจมันคิดแบบนั้นคะยโยมก็ตอนยังยังเรียกตาตัวตอนอยนู่เลยนะอ๋อค่ะถือว่าเขายังต้องให้เปี่ยนเราอะไรับ อ๋อมันเป็นอัปตาใช่ไหมคะใช่อัปตาอ๋ออันนี้ทุกคนจะเหมือนกันไหมคะว่าถ้าเป็นสิ่งของจะสลากง่ายถ้าเป็นบุคคลจะสลากยากหรือว่ามันแล้วแต่จดิตนิสัยของแต่ละคนนะคะแล้วแต่บางคนก็อาจจะรักของมากกว่ารักคนก็ได้อ๋อแ ส, สดงว่าจดิตโยมจะจะเป็นอัปตากับกับเป็นบุคคลที่รักที่หัวมากกว่าแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแล้วต้องฝึกยังไงอะคะพระซานก็พยมงก็ฝึกลายหลักลายรักไงมันไม่ใช่ของเรา แล้เราเราก็เราก็ไม่มีเราก็ไม่ได้ๆๆๆๆเป็ๆๆนเจ้าของของไข่เขาก็ไม่ได้เป็นของเราค่ะขเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับดินน้ําลมไ่คฟเหมือนกันดินฟ้ากันเราไปควบคุมบัม ab, งคับเขาไม่ได้เขาเขาจะมนจะตกเมื่อไหร่เราก็ห้ามมันไม่ได้แดกจะออกเมื่อไหร่เราก็ห้ามไม่ได้สามีอยากจะไปมีกับใครที่ไหนแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้ใช่ค่ะ แต่ต้องมาขออนุญาตก่อนถึงจะให้โยมก็แปลกใจตรงเนี้ให้นะคะแต่ต้องมาขออนุญาตฉึนก่อนถึงจะให้ไปอย่างนี้อาจารย์โยมก็ไปไปเล่าให้คุณสามีฟังนะคะว่าเนี่ยถ้าสมมุติเธอจะไปอย่างเงี้ยอนุญาตนะแต่ว่าแต่ว่าคุณต้องมาขอเราก่อนนะผมก็งงว่าคุณมาโก้ก็งงว่าทําไมให้ไปง่ายๆขนาดนี้แปลกใจทำไมให้ง่ายอย่างนี้หรอ เขาก็งงค่ะพี่อาจารย์ก็ไม่แน่ก็อาจจะพูดไปมันอาจจะเป็นเพลงที่เฉพอเกิดเหตการจริงๆขึ้นมาก็อาจจะเป็นอย่างนีก็ได้ระอาจารย์ให้ถามนั่นสิคะพระอาจารย์นั่นสิคะแต่ก็ไม่ได้บอกเข้าไปนะคะว่าถ้าถ้าถ้าถ้าคุณจะไปยังไงก็ส่งเงินให้เราใช้เหมือนเดิมก็แล้วกันก็เสียใจค่ะว่ารักเขาจะฟ้องเงินแบบนี้แต่โยมไม่ได้พูดบอกเขาแบบนี้ค่ะอ๋อเป็นที่มานะโยมก็โยมก็พยายามคิด หาคําตอบให้ตัวเองอก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากๆค่ะที่ว่าทาให้ยมเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจกเกลียดตัวเองมากขึ้นนะคะพยายามมองตัวอะไรเราเป็นแจวเวลาเราเปรียบเราเจอใครเราต้องเห็นว่าเราเป็นคนรับใช้เขาค่ะเขาเป็นเหมเจ้านายเราแล้วเราจะสบายใจเขาทำอะไรเราก็จะได้ไม่เดน็ดนอนค่ะค่ะ แต่ก็งงว่าเอ๊ะทำไมสมมติมีคนมาเหยียบเท้าเราหรือมาแซงคิวเราอะไรแบบนี้หรือมีแบบที่เ อ, อตัดหน้าเราจะไม่รู้สึกยามแต่ถ้าเป็นกรณีเกี่ยวกับคนรักของเราอย่างนี้ยมันจะรู้สึกยามนะคะอาจารย์อันนี้ก็แล้วแต่คนใช่ไหมคะใช่แล้วแต่แล้วแกรณี<น>อ๋อค่ะอาจ า, ารย์โอเคมีเท่นี้นะหรือเทนี้ค่ะอาจารย์โอเคค่ะเราไปทำการเราไปทำการนั่งดื่มกัจะฝืกอให้ให้มากขึ้นค่ะอาจารย์ค่ะ คิดเปิว่าเขาอาจจะไม่แอบไปมีอะไรนะตอนนี้ก็ได้มันจะไปดูเลยใช่ค่ะพระอาจารย์มันไม่แน่เพราะว่าอย่างโยมก็เหมือนการรักษาสินค้าคุณมา ก, ก็รักษาสินค้าแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เป็ น, เ ป, นเป็นอัลัยอาบุคคนเนี่ยโอกาสความเสี่ยงมันก็มันก็ยังไม่ถึงว่าศูนเอร์เ็นมันก็ยังมีบ้างอะค่ะพระอาจารย์ใช่มันก็มีโอกาสใช่ค่ะพระอาจารย์เก็คิดเผื่อไว้ถ้าถ้ามีเมกิดก็ก็เราปัญหาคือเราอยากไปทุกกับเขาตอนนี้เขาจะทําเป็นเรื่องของเขาค่ะ แต่โยมเข้าใจแล้วเป็นที่มานะของโยมนี่เองค่ะค่ะเราฝึกเป็นแจ๋วให้มากถ้าเป็นคนใช้เขาเขจะไปมีแฟนที่ไหนเราห้ามเขาไม่ได้ค่ะภรอาจารย์อันี้เราเป็นเจ้าในเขาใช่ค่ะพระอาจารย์ไม่ใช่ว่าเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอาหารอะไรเขาอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องนี้ต้องต้องเป็นแจ๋วให้เขาด้วยอ๋อยังมันค่ะค่ะค่พอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะพรอาจารย์ ไปที่คุณจุ๊บโกเบตาจุ๊บกลับนมัสการนค่ะอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยังไงกับคนที่ทํางานเดี๋ยวนี้โอเคแล้อยังตอนนี้อตอนนี<อ>้ไม่ฝากเขามากงว่าไ ม, ไม่ค่ะ <laughs> ไม่ได้ค่ะตอนนี้โอเคครับอาจารย์แล้วก็ปีนี้นะคะคือปกติทุกเดือนสี่ะค่ะจะเป็นเริ่มต้นปีใหม่ของการทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะปีนี้หนู <laughs> ใ น, นแผนกหนูมียี่สิบคนนะคะ่ะหนูได้รางวัลทำงานดีด้วยค่ะพระอาจารย์ใ น, นแผนกหนูได้แค่หกคนเองนะคะะอาจารย์ hmm. ค่ะวันนี้หนูมีคำถามะคะพะอาจารย์ก็คือเองจิตของผู้ที่ฝึกดีแล้วเกี่ยวกับอุเบกขานะคะจะไม่ปลื้มปิ่มกับสิ่งที่สวยงามแล้วก็จะไม่เศร้าโศกกับสิ่งที่หดหูใช่ไหมคะพระอาจารย์ อย่างเช่นตอนนี้ซากุระกำลังบานอะไรอย่างงี้ค่ะทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดแล้วอืมมันก็ะทัาได้รับรางวัลก็ไม่ต้องไปดีใจเดี๋ยวเกิดปีหน้าไม่ได้รับรวัลก็จะเสียใจอืมไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนค่ะอืมแล้วหนูมีเรื่องคำถามที่จะถามคันนี้หนูแบบคิด ต, ตลอดมาตลอดเลยนะคะับะอาจารย์อย่างในกรณีที่อ่ เรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเรามาอย่างนี้ยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดในการตอบแทนบุญคุณของท่านกรณีที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นอกจากการปฏิบัติแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรคะก็เลี้ยงดูท่านสนับสนุนแม่ปัจใจเสียนำนี่ท่านท่านการเหลืออะไรก็สนับสนุนท่านไปแล้วในกรณีที่ท่านละสังขารไปแล้วครูบ า, าที่ เรายอยากเรายอยากจะทํานอยู่ที่ไทยไทก็ได้อืมนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็สิ่งที่เราทําได้เท่านั้นแต่สิ่งที่ดีที่สุด ก, ก็คือการปฏิบัติบูญชาเพราะท่านยังคงไม่ต้องการอะไรจากเราส่วนใหญ่ท่านก็พอท่านมีพอแล้วแต่ถ้าเรายังอยากจะสแสดงความสํำนึกเป็นคุณมากก็ทำได้แต่ทำด้วยการปฏิบัตินั้ดีที่สุดถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ ถ้าท่านเดือดร้อนขาดแพลนอะไรแล้วก็ส่งข้อไปตามกำลังเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ตอนนี้หนื่อก็หนื่อก็ยังปฏิบัติอยู่นะคะพระอาจารย์เดินจงกรมก็ยังเดินอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้มากเท่าเมื่อก่อนนะค่ะได้เดินไปทำงานหรือเปล่าไม่ได้เดินไปทำงานเดินไปค่ะอย่างวันนี้ค่ะตอนแรกตั้งใจจะเดินไปแต่ปรากฏว่าพอดูเวลาวิจะไม่ทันแล้ววันนี้วันนี้ก็ยยังไม่ได้เดินแต่ว่าก่อนหน้า ที่ที่แล้วอะค่ะทํางานห้าวันหนูเดินสามวันเลยค่ะพระอาจารย์ด<ต>ีในเวลาเดินนั้นใจร่องใจเบาขึ้นเยอะเนยใจร่องใจเบาขึ้นเยอะเลยค่ะมันไม่ได้คิดอะไรแปลกเลนะคะพระอาจารย์ดีออแปลกดีท<ต>ี่แบบได้ออกําลังกายด้วยนะกายก็แข็งแรงค่ะพระอาจารย์เมื่อก่อนตอนที่เริ่มเดินใหม่ๆนี้ก็คือมีอาการเจ็บสะโพกใช่ไหมคะมแต่พอเริ่มเดินบ่อยๆพักสักพักหนึ่งแล้วก็ไปเดินอีก มันไม่มีแล้วค่ะทั้งๆ ท, ที่เดินติดกันสามวันก็ไม่มีอาการปวดแล้วอะค่ะพระอาจารย์แปลกิีกการออกกำลังการบางมัน็เชื่อม ไ, ไปยืดเส้นยืดสายไปในตัวเดินค่ะก็จะพยายามปฏิติให้สม่บเสมอค่ะพระอาจารย์่โอเคขอบคุณนะคะขอบคุณ<า>ไปที่เอลเอคลิฟอร์เนียอุนิชา กลาบในมัสการพระอาจารย์ค่ะก็แออตอนนี้ฝนตกค่ะก็เป็นน้ำเยอะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะน้าเยอะมากค่ะเห็นบอกว่าจะเป็นฝนสุดท้ายแต่เไม่ไม่ไม่แน่ใจค่ะก็ปกติมันไม่ควรจะมีแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังตกอยู่ค่ะพระอาจารย์ ก็ไม่มีอะไรค่ะลูกไม่มีคำถามก็มารายงานการปฏิบัติก็ยังเพียนปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็นั่งมากขึ้นแล้วก็แล้วก็วก็เอ่อจเจริญสติในระหว่างวันให้มากขึ้นนะคะ mm hmm. แต่ก่อนลูกก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเอ๊ะลูกก็มีข้อสงสัยว่าทำไมถึงไปแบบเอ่อนักปฏิบัติแบบจะต้องแบบอยู่วัด นานๆนั่งนานๆหกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่แต่ก่อนลูกไม่ลูกแต่ตอนนี้ลูกเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าจะต้องแบบต่อสู้กับกิเลสค่ะซึ่งตอนนี้ลูกก็เป็นอยู่ก็คือมันจะวนค่ะวนแบบเหมือนนั่งแล้วก็แบบบางทีมันจะสงบบางทีมันก็ไม่สงบมันทีก็ต้องลุกมาเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ก็ยังเพียรปฏิบัติอยู่ต่อไปค่ะเพราะรู้สึกว่าพอทําไปเรื่อยๆมันเกิดความสงบบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าทําให้เรา อยากจะนั่งมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ดีค่ะค่ะแล้วก็ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ลูกรู้สึกว่าตั้งแต่ลูกปฏิบัติมาคือลูกนอนหลับดีมากเลยค่ะเพราะแต่ก่อนลูกเป็นคนที่นอนไม่หลับเลยค่ะเป็นคนที่หลับยากมากๆค่ะมีแต่ความคิดมีแต่ความหลงฟุ้งตลอดเวลาตั้งแต่ลูกปฏิบัติแบบหลับง่ายมากหลับสบายมากค่ะ ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะใช่ค่ะสงสัยบแบบคือมีการปล่อยวางใช่ไหมคะพระอาจารย์ใ่แก็มีสติคอยควบคุมความคิดอยู่ด้วยถึงได้ลหลับได้ง่ายค่ะแล้วก็ลูกก็ดูลมก่อนนอนแล้วก็มีคิดเรื่องอเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างนี้ค่ะมันช่วยได้มากเลยคะ่ะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้แบบหนึ่งหนึ่งนาทีก็หลับแล้วคะ่ะสมัยก่อนแบบโอ้โหแบบหลับยากมากๆเลยคะ่ะพระอาจารย์ทำอะไรไ ม, มีเรื่องมากคิดมาก ใช่ค่ะแต่ก่อนแบบทํางานตลอดแล้วก็ mm hmm. ไม่ไม่มีเวลาคิดมาคิดก่อนนอนนะคะพระอาจารย์ mm hmm. มันก็เลยไม่หลับค่ะแล้วก็ฟุง้ง mm hmm. มีแต่ความหลงความ mm hmm. มีแต่ความหลงความโลภคะ mm ่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ค่ะถ้าไม่ได้พระอาจารย์รู้ว่าคงลุ่มหลงอยู่กับวนอยู่กับตรงวัฏจักรนั้นนะคะ mm hmm. ตอนนี้สุบแบบมีความสุขมากค่ะสงบสบายชีวิตง่ายสบายไม่มีอะไรความจริงต้องขอบคุณพระพุทธเจ้านะทุกคนที่สุกอย่างนี้ยมาจากพรนะพุทธเจ้าท่านั้นนะเอาเพลงมาบุญบุญฤไปสนีทะเนี่แต่ก็เป็นมีมีส่วนมากค่ะพระอาจารย์ถ้าเติไม่มีพระอาจารย์มันคือถ้าลูกไปศึกษาเองมันเข้าใจมากมายากมากๆเลยค่ะพระอาจารย์ ก็น้อมนำปฏิบัติค่ะประโยชน์ก็ดีตรงนี้ถ้ามีโค้ดมันก็ทาให้มันทําอะไรง่ายขึ้นใช่ค่ะเพราะจะก่อนแบบลูกหลงทางไปเยอะง ง, งๆค่ะพระอาจารย์แต่ก็พอเริ่มสงสัยแบบทำมามันจัดสรมาให้เจอพระอาจารย์ก็ทําให้แบบง่ายขึ้นแล้วก็แบบเหมือนมาถูกทางมากๆค่ะพระอาจารย์ชีวิตง่ายสบายตอนเนี้ค่ะมีความสุขยินดีดีใจได้ทีทุ้งวัน ได้มีการพัฒนาการมีความสุขมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นค่ะลูกก็จะน้อมนําปฏิบัติบูชาค่ะพระอาจารย์ทําให้มากขึ้นให้มันเซนคาระเบลตามสมัยที่พยายามค่ะพระอาจารย์แต่บางทีมันเจอไว่ทนายเยอะๆลูกก็แบบโอ้โหมันไม่ไหวเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ไม่รู้จะทํายังไงอ่ะคือมันทนไม่ไหวอย่าไปทนอยู่กับพูดโทไป ถ้ามันขา ด, ดมันตาไปกับพูดโธรไงคือรูกก็ไม่คิดว่ารู้จะท่องทนหรือว่ารู้จะต้องลุกขึ้นมาเดินตรงกลมแต่ว่าบางทีมันก็ลุกขึ้นมาเดินทรงกลมแต่บางทีวันวันก็มันก็ไม่ไหวจริงๆค่ะพร ะ, ะอาจารย์มันแต่รู้ก็คิดว่ามันต้องมีวันที่เราจะต้องสู้มันให้ได้สู้ให้ได้ให้อยู่กับพูดโธรอยู่คําำเลยคำไปเดี๋ยวมันจะเด้งเองมันจะเด้งแล้มันเวทนาก็จะหายไปนึงมันมันก็จะไม่มาลบคนใจค่ะพร ะ, ะอาจารย์คือไอ คือพอทําไปแล้วมันมันสู้ได้บ้างสู้ไม่ได้บ้างแต่ว่ามันพอมันถึงเลยเป็นเลยเกินไปหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงนี้มันมันไม่ไหวจริงๆค่ะอาจารย์หามันจะขาดแล้วมันแข็งไปหมดนะคะพระอาจารย์จะทำยังไงดีก็ก็บอกว่าอีกนิดเดียวท่านใกล้จะถึงจุดแล้อีกนิดเดียวเช่นอย่างนี้อยาเพิ่มนุมอีกนิดเดียวมามาไกลแล้วเนี่ยเดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวไม่กี่ก้าวนะก้าวต่อไป ต้องให้กำลังใจันไปองให้กำลังจกันถ้าลุกจะพยาามเดี๋ยวุสาหนั่นมันต้องทานแล้วจะแม้จะยอมยอมเสียประโยชน์ไปนะต้องให้มันได้ให้มันถึงจุดของมันน้อมนาปฏิบัติค่ะค่ะอาจารย์สาธุค่ะกลกสาธุค่ะพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ทากขันแข็งแรงค่ะ่าธุที่คุณีเชียงรายต่อ การมรสการพระอาจารย์ครับแต่วันนี้ก็ทอะไรการมนมาอะไรงานเพราะว่าอสัปดาห์ที่แล้วก็ฟังอยู่ข้างนอกครับอาจารย์ก็ทดสอบตัวเองว่านั่งไม่เปลี่ยนทา่าจะนั่งไหวไหมอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ก็ไหวอยู่ครับพระอาจารย์จนจนหมดรายการครับก็นั่ง่งฟังพระอาจารย์เทศไป แต่แต่จริงับผมผ ม, ผมนั่งกอดอยู่แล้วครับนั่งประมาณทุ่มยี่สิบอยู่แล้วครับสองทุ่มก็เปิดฟังในเฟซบุ o k ครับอาจารย์ของสุนทนาธรรมครับก็เวทนามันก็มาทิงก็แรงบ้างนะครับแรงบ้างก็เอาพูดโทรทโมูสังโคเข้าใส่ก็มันก็เบาไปครับอาจารย์ก็ไม่ค่อยมวนใจเท่าไหร่ออรครับก็เลยมากลับในงานอาจารย์นี้ครับผมแล้ว ปฏิบัติอยู่ทุกวันนะครับอาจารย์ได้อย่าทิ้งนะตามยังไม่ถึงเป้าหมายยังไม่ถึงจุดสูงสุดก็นำปีนไปเรื่อยๆปีนไต่เขาเึ้นไปเรื่อยๆครับผมครับผมครับก็ระดึกเสมอครับเพราะว่าเหมือนรับตอนนี้ไฟมันไห้บ้านนะครับอาจารย์ระดึกเสมออาจารย์ไม่ไม่บ้านนะได้บอกจากบ้านครับผมอยราล้อนะครับกับความสุขในบ้าน ในยอดไฟครอบตายครับผมครับผมก็ระลึกอยู่เสมอรถึงความตายทุกวันนะครับอาจารย์ครับนีรัครับผมปฏิบัติครับไม่ถึงหมัไม่เลิกครับก็กับขอบคุณอาจารย์นะครับผมแล้วก็ขอถ้า่านอาจารย์แห่งแรงครับผมเอาถ้อ่างถ้าทครับน้องเหมนงไม่เคเห็นหน้าเลยเข้ามาเลยเคยได้นแต่เชื่อ เขามาทางคิย so ์อ <I 'm S 1> uh ินเอแค่หน่องหนึ่งนะเปิดในด้านไว้หมุนซ้ายล่างกดหัซ้ายล่างหน้าจ่นยออ่นมิวอนมิวกดที่ปู่ไมโครโฟนพระอาจารย์เจ้าคะได้ยินหนูไ้ยเจ้าคะได้ยินได้ยิน ค่ะพอดีเพิ่งมาครั้งแรกค่ะพระอาจารย์ส่วนใหญ่จะหนูจะถามแต่ใ น, ในเฟซนะคะพระอาจารย์พอดี <Yeah. S 1> หนูเพิ่งเพิ่งมาถามตอนหนูผ่าสมองะค่ะส่วนใหญ่เพิ่งมาหาเจอจ้ะพระอาจารย์ค่ะก็เลยปฏิบัติด้วยแล้วก็ป่วยไปด้วยอ่ะค่ะก็เลยได้มาถามพระจารย์พอดีเ <c oughs> จ้าค่ะว่าโอ้ ก็คือผ่ากระโหลกไปสีครั้งอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์แล้วก็เส้นประสาทมันขาดไปแต่ว่าหนูกลับมาทํางานได้ปกติอ่ะเจ้าค mm ่ะ hmm. คือถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันคนละอย่างกา้ปัจจมันคนละอย่างกันเจ้าขาพระอาจารย mm ์ hmm. คือบางคนก็จะปลัวชักกลัวอะไรแต่หนูมันไม่ได้ชักอ่ะพระอาจารย์มันเหมือนแบบมีแรงเหมือนเป็นแรงช้างอย่างเงี้ยเจ้าค mm ่ะ hmm. คือทํางานได้ปกติเหมือนเดิมดก็เลยไม่มีอ่ะ ไม่มีอาการชักอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างอย่างก็เลยมารู้ว่าอ๋อผู้ป่วยที่แบบเส้นประสาทขาดเงี้ยจะทํายังไงอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาหนูมาผ่านสมองอย่างเงี้ยเรื่องเพนสกอรอะไรย่างเงี้ยหนูก็จะจับจะดูคนไขยอยู่แล้วพอมาประสบด้วยตัวเองอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะไม่ค่อยได้ขอยาหนูก็เข้าแต่ภาวนาพุทโธพุทโธไปเลยเจ้าค่ะมันก็จะไม่ไปเกี่ยวกับร่างกายเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ เราตอนแรกตอนที่หนูรถพวามเนี่ยหนูนึกว่าการสวดมนต์เนี่ยหนูจะช่วยได้พระอาจารย์แต่พอมาผ่าสมองอะ่ะตัวที่ช่วยหนูจริงๆอะ่ะคือพุโทโธอาจารย์มันจำแม้กระทั่งบทสวดไม่ได้เจ้าคะ่ะถ้ามาเกี่ยวกับสมองอ่ะคะ่ะตัวที่ช่วยได้จริงๆคือพุโทโธพระอาจารย์ตัวเนี้ยคะ่ะ ม, มันก็ ก็มันมันจำแม้กระทั่งบทที่เราสวดไม่ได้เจ้าค่ะเหมือนเริ่มต้นใหม่ค่ะพระอาจารย์เหมือนเป็นเด็กทารกเลยอะเจ้าค่ะ<ม>ก็แล้วก็ต้องใช้สติมากเลยเจ้าค่ะ<ม>ในการที่จะฟื้นฟู ต, ตัวเองคือเหมือนเริ่มต้องตั้งพอก่อนแล้วก็ค่อยหัดเดินใหม่อะ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์<ม>แต่โชคดีที่ว่าเราปฏิบัติมาแล้วเราเก็บเหมือนเก็บแรงที่เราปฏิบัตินะ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์<ม>ได้มาใช้ตอนตรงนี้อะคะ่ะมันเลย มันเลยเหมือนรวดเร็วมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ในการฟื้นตัวแล้วกลับมาทํางานได้ปกปติเจ้าค่ะแล้ว<ด>ก็ไ ม, ไม่กล้าพูดเพราะว่าพอหนูไปพูดให้กับคนอื่นก่อนเขาก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติแล้วเจ้าค่ะเหมือนหนูไปจเจาะลือดพระอาจารย์เจ้าค่ะพอหนูไปตรวจเลือดอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้เลยพระอาจารย์ทําไมถึง ท่านไม่รู้แม้กระทั่งผ่าน้ําตาลเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูรู้ว่าพระอาจารย์ต้องทิ้งร่างไปแล้วน่าเลยที่น้ําตาลสูงๆกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ mm hmm. แล้วแทบจะไม่มีอาการพระอาจารย์ mm hmm. คือต่างกันตรงนี้พอเมื่อปฏิบัติแล้วทิ้งร่างได้แล้วเนี่ยข่าน้ําตาลสูงๆก็ไม่รู้นะคะพระอาจารย์แ mm hmm. ม้กระทั่งภาวะซีดมากๆก็ไม่มีอาการนะเจ้าขาพระอาจารย์ mm hmm. พออยู่ในสายปฏิบัติแล้วว่าเจ้าค่ะแต่พอมาตัวเจอเนี่ยก็สจะพบว่า ค่าจะไม่ปกติงเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยอ๋อต่างกันตรงนี้แต่หนูก็โชคดีมากเลยว่าอ๋ออหนูก็เลยมาตามเจอก็คือว่ายาเนี่ยเราเราเออกินเรื่องยาใช่ไหมเจ้าค่ะใจเนี่ยก็มีเกี่ยวกับยาอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ยาจากพระธรรมเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. หนูก็เลยรู้แล้วอ๋อมันมียาตัวนี้เพิ่งมารู้ตอนที่ตัวเองเป็นนะเจ้าค่ะก็เลยได้มาเจอพระอาจารย์ก็ฟัง ฟังจ่าพระอาจารย์ฝับไปฟังมาก็หลับไปด้วยเจ้าค่ะมันเลยมาฝังอยู่ในใจอะไรอย่าเงี้ยค่ะ mm hmm. ตอนตอนแรกหนูผ่าสมองหนูก็ไปหาหลวงตายเยือนพระอาจารย์ก็รองให้หนูยกถังน้ําให ญ, ใหญ่หนูก็พูดในใจว่าโอ้โหเพิ่งผ่าสมองมาทําไมพระอาจารย์ถึงมาให้หนูทําความสะอาดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่จริงๆแล้วเหมือนทดสอบค่ะพระอาจารย์ก็ mm hmm. เลยไปยกถังอา้าวพอไปยกถังหนูก็ ร่างกายก็ไม่เห็นมันอะไรหนิไม่เห็นตายอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเราเข้าใจคิดไปเองอะ่ะว่ามันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์กลายเป็นว่าเรามีแรงทํางานกวาดทำความสะอาดได้เยอะมากจนไม่รู้ไม่มีอาการเหนื่อยเลยค่ะพระอาจารย์เวลาเดินลงจากเขากลับบ้านอย่างเงี้ยเดินได้เร็วมากเหมือนลอยตัวเหาะลงมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือแบบโอ้พอเราไม่ได้ไปคิดอะไรแล้วดูแต่ สิทธิ์ที่เราเดินเนี่ยโดยท่าการก้าวเท้าเนี่ยมันจะไวมากเหมือนหาะได้เลยเจ้าข้าพาจย์ตรงเนี้ยค่ะที่หนูได้มามก็คือเหมือนกับว่าโอ้เหมือนเราจับจิตตัวเองพอทําไมเราต้องไปอยู่มีความสุขกับโลกมายาของสมมุติน่ะทั้ทั้งที่ร่างกายของเราเนี่ยตัวที่น่ากลัวก็คือตัวกิเลรเนี้ยเจ้าขา้าพเจ้ามันส่งครามเลยปังปังปังปังโอ โหดมากเลยพระอาจารย์ที่ที่หนูเห็นอ่ะเจ้าขาอู้มันโหดมันไม่ใช่มันไม่โหดนะโหดมากเลยพระอาจารย์โอเคไม่เนไรอย่ากจะถามไม่คืนนี้ไม่มีเจ้าค่ะมาครั้งแรกค่ะพระอาจารย์ก็ปฏิบัติต่อไปนะท่านอย่ให้สงบนะเจ้าขาพระอาจารย์กัปสาสุถึงคุณบาลีคุณบาลีตาบุญธการ ครัหลวงพ่อค่ะตอนนี้หนูก็ไม่มีคําถามค่ะปฏิบัติเหมือนเดิมครับหลวงพ่ อ, อ, อ, อทําเต็มที่เล ย, ลล เ, ลยเต็มคาบแลเลยเต็มเต็มที่ค่ะหลวงพ่ อ, อ ม, มันมีมีติดบ้าง น, นิดนึงคือตรงที่เมื่อสักพูดที่หลวงพ่อกล่าวค่ะว่าพอไปถึงตรงนั้นแล้วเงี้ยค่ะมันไม่อยากไปทําอะไรอยากจะแบบอยู่อยาก ใจมันจะหวนอยากจะไปนั่งอยากปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าทีนี้มันมีเวลาจํากัดอย่างตอนที่หนูไปถึงที่ทํางานอย่างเงี้ยค่ะกําลังแบบกําลังดีแต่หมดเวลาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ถ้าเกิดกลับมาที่บ้านก็เต็มที่ค่ะหลวงพ่อตามกําลังสติที่เราจะปฏิบัติได้อะค่ะหลวงพ่อมันไม่ต้องมอาฟิเวลาก็ทําทําแต่ว่าพอไปปฏิบัติ ไปทำที่ทํางานอย่างเงี้ยค่ะหลังพอมันกําหนดเวลาอย่างสมมุติเราเราตั้งไว้ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะังพอกาลังแบบดีมากอย่างเงี้ยค่ะก็หมดเวลาพราะแปดโงขึ้นก็ต้องเข้าทำงานอย่างเงี้ยค่ะหลัแต่ก็ก็มาจากคำรถอยู่ทางดูนะมันเดี๋ยวก็เจอแยกสีแยกไฟแดงก็ต้องจอดค่ะแล้วพอแล้วพอกลับมาบ้านก็เหมือนสตาร์ทใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็ทำทำเต็มี่แต่พอ ไปถึงที่ทํางานก็จะมีสะดุดอะไรอย่างเี้ยค่ะอืมต้องราให้ได้มีโอกาสได้ขึ้นทางด่วนนะเดี๋ยวเสานี้แล้วก็ไปเสาหน้าหนูจะไปไปที่เขาที่เรียนผมก็ไปเมื่อพูดที่แล้วอะคะ่ <Yeah. S 2> ะเนี่ยไปเนี่ย yeah. ไปเปลี่นวิเว <ST AR> ให้บ่อยพยายามขึ้นทางด่วนให้บ่อยใช่ไหมพ่อโอเคอ่าไก็ทําไปไม่ว่าอยู่ที่ไหนทําได้ก็ทําไปนะ อยากขาดทุนอยากปอยออเวลาผ่านไปแล้วไม่ได้ปฏิบัติช่วงช่วงที่ระหว่างวันนะคะหลวงพ่อช่วงทำงานถ้ามันไม่ได้คิดอะไรมากมันก็ยังยังมีสติรู้สึกอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะหลวงพ่อโอเคไม่ควรว่าทักมาทักเขาหน่อย <laughs> ไมไ่เลยค่ะหลวงวันนี้หนูไม่มีอะไรค่ะปฏิบัติตอบหลวี้วันนี้ยัง ย, ยังกันจะไปที่ท่านตอบไปเลยนะคุณกัณชิตขอบคุณค่ะคุณกัณชิตอยู่ไต้หวันใช่หหายหน้าไม่นานครับก็ไม่ได้ม่ได้เข้ามาครับเลยวันนี้ก็ได้ก็ามากราบพระอาจารย์ครับ <c oughs> กบรบหลงมาสการครับพระอาจารย์ยังไม่ได้กลับบ้านหลายปีแล้วนะยังครับ เพิ่งต่อแท็กสามนะครับต่อแท็กสามต่อยาอีกแท็กหนึ่งครับอยู่ครบสิบสองปีครับอาจารย์สองปีเลยไม่ได้กลับบ้านเลยไม่ครับเพิ่งกลับไปสองครั้งนะครับแล้วครับตอนนี้ก็เพิ่งต่ออีกแท็กหนึ่งก็จะไม่ได้กลับครับมีโอกาสขุดท้องก็รีบขุดนะ ขุดดูครับแต่ก็มีมันก็กระจายออกไปเรื่อยๆอครับกระจายพี่น้องกันไปบ้างครับเวลาแบ่งปันกักนไปช่วยกันไปครับพระอาจารย์ก็มีไม่มีคําถามครับแต่ว่าแต่ว่ามีมีความปันครับที่ปันเห็นพระอาจารย์ออตอนที่ไปนอนอยู่ต่างที่คือว่าเห็นปันเห็นพระอาจารย์เข้ามาช่วย <นะ S 1> ก็เป็ปนพระอาจารย์ก็เป็นความคิดของเราเวลาเราขึ้นด่านดัเราดดก็กลารเป็นความฝันหนึ่งอ๋อครับอาจารย์ก็เคิดอย่างนี้ดีคิดถึงคิดถึงพระดีแบบไปคิดถึงเรื่องอื่ครับอายโอเคนะไม่มีอะไรก็จะไปที่ท่านตอไปนะครับขอบพระอาจารย์ครับนะคนนิงสุขโขทัยยัยงไงหนิง กล่าวธ ก, การเจ้าค่ะัอาจารย์บ้างดีตัค่ะยมได้มีโอกาสไปเพื่อทำด่วนเมื่อเดือนที่แล้วเจ้าคา่ะพอาจารย์ไปอยู่นานไมไม่นานเจ้าคา่ะมีไม่มีเวรยมก็ไปได้แค่สองวันเจ้าคา่ะแต่สติคือแบบดีมากเจ้าคา่ะแล้วก็เข้าเข้าเบขาได้ดีเจ้าคา่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าผมเป็นภาระมายมก็เลยไปขออนุญาตโลก ก็ค่ะก็เลยได้ได้มีโอกาสเอาออกไปเยอะเลยก็ค่ะเลยสบายขึ้นในเร้องการก็ค่ะแต่ว่ายังคือรู้สึกว่าอยากก็ไม่งไม่มีเลยชนิดคว้มอยากไม่ถึงใจก็ค่ะแต่ก็เอลี้ยงใจที่ทํางานแล้วก็เกลีงใจลูกนิดเดียก็เลยเอาทัทีก่อนก็ค่ะแล้วตอนนี้ยังต้องกลับไปทางานต่อเลย ยังตจ้าค่ะยมมีภาระาทั้งโลกอยู่เจา้าค่ะแต่ก็ฝันฝันว่าตัวเองอยู่ทางด่วนตลอดเลยเจ้าค่ะไม่ไม่มีอะไรเจ้าค่ะอาจารย์มีไอไอตรงเวทนาเจ้าค่ะถ้าสมมติว่าเรายมลองสังเกตดูถ้าเรานั่งสมาธิแล้วมันลึกๆมันก็จะไม่มีเวทนาเกิดใช่ไหมคะพอาจารย์แต่ถ้าไม่ลึกมากอะ่ะมันก็จะรู้เจา้าค่ะถ้ามันสงบเต็มที่มันก็จะไม่รับรู้ ร่างกายแต่ถ้ามันยังไม่สงบเต็มที่มันก็จะสามารถรับรู้ได้เจ้าค่ะมันที่เราคือที่เราทําทําใจให้เฉยได้หรือเปล่าเฉยได้ก็รับรู้ไปไม่เดือนร้อนเจ้าค่ะคือโยมเจอทั้งสองสภาวะเลยเจ้าค่ะอาจารย์สภาวะที่แบบถ้าสติเราดีๆนะมันแป๊บเดียวมันก็เข้าเนี้ยมันไม่รู้สึกเลยเบาสบายโล่งอะไรอย่างนี้เจ้าคแต่พอบางทีแบบชั่วโมงสองชั่วโมงนี่เอาละ เวทนามาเรื่อยๆโยมก็แต่มันอยู่ได้นะจเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเออฉยๆกับมันไปเจ้า ค, ค่ะคือเวทนาก็อยู่กับเวทนานี่แหละก็รู้ว่ามันมปวดมันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เดือดร้อนอย่างเงี้ยแล้วค่ะเราอย่าไปอยากให้มันหายแล้วเรามอย่าไม่เดือดนอนร้รอนเจ้าค่ะโยมว่าอ๋อเออมันมีสองแบบก็ดีๆเจ้า ค, ค่ะก็ฝึกไปหลายๆแบบเจ้าค่ะโอเคดีมากทําไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะ แล้ก <Okay. S 1> วก็พวกไอ้เรื่องความรักลูกอะไรงเงี้ยนจ้าค่ะที่โยมเหมือนกับตอนนั้นที่มันตัดมันตัดขาดเนี่ยแล้วโยมก็ลองเลือกตัดผมอะไรเงี้ยนะคะแล้วลก็โยมโยมก็ลองหาว่ามันหายไปจริงๆหรือเปล่าพมันโยมก็มันหายไปจริงๆริงแล้วค่ะพระอาจารย์เกือบปีสองปีแล้วเจาคะที่มันไม่มันเหมือนไม่ค่อยมันเหมือนไม่ได้ไม่ได้รักมากเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยนจ้าคะมันเหลือแต่เมตตาค่ะ ถ้าเราไม่ต้องกังวลเับเขาก็ใช้ได้อย่าไปคิดอย่าไปกังวลกับเขาก็ดูแลมันดูแลเข้าไปก็จะไม่เป็นอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไปเจ้าค่ะเหมือนกับพอมันปล่อยทางร่างกายเราได้แล้วมันก็มันก็ปล่อยรางกายปล่อยคนอื่นไปเลยเจ้ค่ะเหมือนเหมืนเจ้าค่ะมันก็ไม่ไม่ก็ไม่ต่างกันตอนที่เราล้างร่างกายเรามากกว่าล้าร่างกายของคนอื่นนะอ๋อเจ้าค่ะอืม โอเคนะแล้วค่ะสายทูดแล้วค่ะผู้อาวุโสสายทูดแล้คระไปที่ผูต้ตายพัทยาผู้นตน้องเกล้แล้วมสักการณ์ครับอ า, าจารย์วันนี้ไม่ได้ไปที่น่ากุติคนะ่ะเออไม่ได้สังเกตเก น, นื่องไปวันนี้มีคนวันนี้มีคนระเยะเปนกลมที่เขาเป็นนอกวันเองมาห้าสิบคนเนื่อบวันนี้ไม่มีคําถามครับอ า, าจารย์ Okay. ปฏิบัติไปทมบุญใส่บาตรไปนะนะคะ้ก็พยายามทำไปเรืเ่อยๆอันนี้คือชนดิสาชนดิสาอยู่โตโกเกียวใช่ไหมชนดิสานี่ กาบค่ะพระอาจารย์โตเกียวค่ะพอดีวันนี้รีบเข้าแต่ว่าเน็ตมีปัญหาเลยหลุดไปเลยต้องมาตอบแถวหลับไปแล้วค่ะเด็กชายเด็กชายหลับแล้วเด็กชายโวยวายโวยวายทำไมพระอาจารย์ยังไม่เรียกหนูจักกดีจนห้าทุ่มพ่อเขาบอกว่าโวยฮะทุ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเรียนค่ะยอมหลับค่ะไม่ไหวแล้วก็ยังจะขอวันนี้ไม่มีคําถามแต่เขาบอกว่าขอกาบพระอาจารย์หน่อย จะถามแต่ว่าเขเป็นเด็กดีหรือเปล่าแค่นั้นนะคะออโอกาสหน้าจะให้คุณบอยคอยจัดให้เข้าคิเวเราหน่อยหน่อยได้ขอบพระคุณค่ะออ <laughs> นอนบอว่านอนแล้วง่วงนอนก่อนไม่รูกไม่อย่าละว่าเวาดินดินดินทั้งมป้าใจไม่เรีย่ยนหะดีหรือ่า <laughs> มันจะเข้าไปในกล้องออ <laughs> ไม่ยอมให้ปิดค่ะโอบพระคุณ อาจารย์คะมีคำถามหนึ่งค่ะเมื่อสักครู่ที่ฟังคุณเอพี่พี่คนแรกที่คุยกับพระอาจารย์เรื่องเวทนาที่พี่เขาจะไปอะไรนะคะไปฉีดยาใช่ไหมคะแล้วพระอาจารย์บอกให้เอาจิตเข้าไปไว้ในสมาธิพอเราเอาจิตเข้าไปไว้ในสมาธิหมายความว่าเราจะยังเจ็บอยู่ไหมคะหรือว่าเราจะไม่รู้สึกเลยก็มันเป็นสมาธิแบบสองแบบ ถ้าสมาธิแบบไม่เต็มดวงมันก็ยังรับรู้ความเจ็บอยู่แต่ใจไม่ทรมาร์ตใจเฉยๆไม่เดือดรอ น, นถ้ามันเป็นสมาธิแบบเต็มดวงมันก็ไม่รับรู้เลยในเรื่องของร่างกายอ๋อค่ะเพราะว่าเคยลองเอาไปใช้ตอนที่ทําเลเซอร์เลเซอร์ที่หน้านะคะทำแฟกชันแนลปกติถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยเขาจะทายาชาก่อนแต่ที่ญี่ปุ่นเขาไม่ได้ทายาชาแล้วมันมันมันเจ็บมากแต่ก็ลองดูบอกว่า เอาไหวลองลองลองเลยปรากฏว่าลองทำสมาธิกระท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆมันเจ็บมันก็แบบทนได้มันมันไม่ได้อช่เราใชแล้วไม่ไปมีความอยากให้มันไม่เจ็บนอมันก็ทรมานมันไม่ทรมานแต่มันก็เจ็บอยู่แต่มันรับรู้ได้มอยู่กับมันได้อยู่กับความเจ็บได้ค่ะเพราะ วันวันที่ลองพุทโธพุทโธแล้วลองทําเหมือนที่เรานั่งสมาธิมันรู้สึกว่าเออ ม, มันทนได้มันมันก็แค่จีด๊ดที่หน้าแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแต่ลองอีกวันหนึ่งลองคุยกับพนัก ง, งานไปเรื่อยเร่อยรู้สึกเอ๊ะทาไมครั้งนี้มันเจ็บกว่าปกติ<ม>อ๋อเป็นเพราะเราไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้พุทโธพุทโธหรือเปล่ามันก็เลยต่างถ้าเาพุทโธพุทโธมันก็จะพยายามย้ำเรื่องของความอยากของจิตได้ เหมือนเราไม่ได้ไปโฟกัสอยู่ที่ตรง <ละ S 2> ความเจ็บนั้น <ละ S 2> ใช่ไหมใช่พอเราโฟกัสความอยากให้มันได้เจ็บมันก็จะาหายไปค่ะอตอนแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะมันถือว่าเป็นสมาธิหรือเปล่านะแต่ถ้าสมาธิแล้วมันยังจะเจ็บอยู่ไหมนะพอดีพี่เขาถามมาก็เลยเคิดได้ค่ะคแล้วก็อีกอคำถามเดงเมื่อสักกู่ที่คุณนิสาถามพระอาจารย์นะคะว่าทาปฏิบัติธรรมแล้วหลับสบายขึ้น แต่ของหนูว่ากลับกันคือทุกวันนี้เริ่มนั่งสมาธินานขึ้นจากสิบสิบห้านาทีเป็นสามสิบนาทีสี่สิบนาทีบางวันเป็นชั่วโมงทีนี้หลังจากออกจากสมาธิแล้วมันนอนไม่หลับเปล่าค่ะพระอาจารย์อันนี้หมายถึงเราไม่มีสติหรือหรือเปล่าคะก็อยู่ที่ว่าเราคิดหรือเปล่าเราคิดก็แสดงว่าตอนนั้นเราไม่มีสตินะคะมันก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพระอาจารย์คือว่ามันเหมือนกับ ตามันตื่นแล้วมันความรู้สึกมันตื่นมันมันไม่นอนเลยอ่ะมันเลยเอสทำยังไงก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเรามีสติมากเกินไปก็ได้อ้เมอเราฝึกสติมามากมันก็เลยข้างมันทำให้เราจิตยังตื่นอยู่อ๋อแล้วเราก็อ๋อแล้วเราก็ลองแล้วมันแล้วก็อยกอย่างหนม่อยู่ที่ว่าเราก็เราชินด้วยหรือเปล่า ออืถ้ามันมีสติแบบไม่คิดเนี่ยมันก็จะหลับเองแต่ถ้ามีสติแล้วคิดไปด้วยมันก็มันก็อาจจะทําให้ไม่หลับก็ได้อก็ลองใชพุทโธดูลองใช้พุทโธพุทโธหนึ่งพุทโธก็สมาธิอะหรอคะแล้วก็หลับตาหลับตานอนพุทโธไปไม่ต้องนั่งก็อยู่ในท่านอนแล้วก็ใช้พุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจไปก็ได้ ค่ะแล้วข้อสาคัญก็คืออย่าไปะอะหยัดให้มันหลับยิ่งอยากมันยิ่งจ้องอย่งนั้นมันกามันก็จำไม่หลับให้ตัวความอยากเป็นตัวขวางให้หลับให้ไม่หลับใช่ค่ะเพราะว่าพัดเคยได้ยินพนระอาจารย์พูดคํานี้ว่าอย่าไปพยายามให้มันหลับแล้วก็<า>เอ๊ะเราจะยังไงดีนะกน็จำเลยไม่รู้ไม่ชี้ไปดูลงไปพูดโทรไปแต่หลับก็ไม่หลับก็ไม่ไม่สนใจ อ, อ, นอย่างนั้ไม่ควรไปนั่งอ่านหนังสือธรรมะหรือว่า ฟังธรรมะอะไรต่อใช่ไหมคะพระอาจารย์ถ้าเราอยากจะปฏิบัติธรรมต่อก็ทำไปก็ได้เดี๋ยวมันมันว่วงมากๆเดียวมันก็ตลับเองไมได้ค่ะแต่ถ้าเราคิดว่าถึงเวลาพักผ่อนนะก็ก็ต้องบก็ต้องไปนอนค่ะบางวันถึงตีสี่ทุกวันเราก็ตื่น8ปดโมงไปทำงานต่อ <laughs> แต่มันก็ไม่ได้เพียอะไรมากมายค่ะค่ะโอเคนะ ขอบคุณค่ะพระาอาจารย์กับแตนลูกชายไวมคะ่ะใ น, นะที่คนบราซิลกล่าวที่ว่าอันที่แล้วเข้ามาไม่ทันให้ เ, เข้ามาอยู่แต่ไม่ดได้เปิดใหม่ไม่ดได้เปิดกล้องมาการเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ยินไมเจ้าพระาจยได้ยินได้ยินจ้ะค่ะก็ช่วงที่ผ่านมาค่ะ ท, ที่ผ่านมานะาะจะไปงานวัดนะคะพระอาจารย์งานปวดบ้าง บ้างแต่แล้ก็คือจะเจอผู้คนที่มันหลากหลายนะบางครั้งก็ต้องน้อมนําคําสอนของพระอาจารย์มาใช้ก็คือยอมหยุดเจนแล้วก็บางทางนั้นก็ต้องขออนุญาตหนีไปซะบ้างนะคะเพราะว่ากรารเจรจาบางครั้งก็ทําให้เราคลุกได้ก็คืพระอาจารย์ทําอย่างนี้ถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ถูกต้อ ง, งอย่าไปว่างอะไรจากใครอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เจ้าค่ะพ่อาจาร ย, เาเยเา์เขาเป็นกล้วยเข้าไ ป, าปยายเขาเป็นกล้วยไปเอี่าพยายามเขาเป็นส้มเจ้าค่าะในในจุดนี้นะคะพร่อาจารย์จงนึกถึงคําสอนของพ่อจารย์บอกว่าเออให้ไปผีวิเวกบ้างมันลูกไม่เคยได้ไปผีวิเวกนานแล้วค่ะพ่อาจารย์ถ้็เราไปอยู่บ้างนไปหาที่สงบอยู่คนเดียวก็ ย, ย, วยังมีคุณพ่ออยู่อีกคะ่ะพ่อาจารย์ค่ะดังนั้นแล้วก็ในจุดนี้นั่นเองนะคะพาอจารย์ก็คือ เรต้องทํางานบ้านหรือบ้านปลูกอะไลักษณะอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็ต้องเอาก็ทํารมเนียมประเพณีให้เป็นธรรมเนียงานที่เราทําลูกไม่มีอะไรแล้วค่ะผอาจารย์มาศึกษาอาจารย์แล้วยังน้อมนําคําสอนภผอาจารย์มาใช้ในชีวิตประจําวันเจ้าขอใช่ไปที่เกิดเกิดมัณเด็ดยังไง ครับติดตามหลวงพ่อลงกดมาทำไมยาก อ, อ, อ่ะท่านก่อนอ๋อไปครับแต่<ช>แต่ว่ารถติดมากเลยครับเลยไปแวะไปหาพระอาจารย์ไม่ทันครับก็ได้ไปที่บิ๊กซีตรงพัทยาครับแล้วก็ตลาดเทพประสิทธิ์ใช่ไหมครับตรงนั้นนะครับค น, เ, นเยอะมันจะเห็นชาวบ้านที่พัก<อ> ท, ท, ที่ที่บ้านเลยก็กเตรียมอ้าวของข้าสารอะไรไว้โูเยอะเลยครับใช่ครับผมดูในไลฟ์ก็เห็นคนหลังจากหลวงพ่อ หลังจากพระอาจารย์ไปแล้วก็พระอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ก็มาต่อเลยครับพระอาจารย์ mm hmm. ก็เห็นมีมีน้องจิตอาสาเห็นก็ทันตักบาดพระอาจารย์ด้วยบังครับอ mm hmm. ครับพระอาจารย์โ mm hmm. อแต่แต่พัทยานี้เหมือนเมืองเปิดแล้วฝั่งชาติเยอะมากเลยครับพระอาจารย์ mm hmm. ใช่ครับ ก, ก็ไปผมไปถึงแคช่วงบ่ายนะครับพระอาจารย์ก็พาเจ้า mm hmm. ลูกชายไปด้วยครับ วันีว่าจริงๆพรุ่งนี้วันเกิดเขาเลยครับมัจะให้เขามาขับอาจารย์แต่หลับไปแล้วครับหลับไปแล้วเดี๋ยวขึ้นมาไม่ได้หลับไม่ประการหน้ได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าตื่นเช้าว่จะพาเขาไปใส่บายกับอาจารย์เขาจะนำนำคาส่นของอาจารย์มาปฏิบัติครับมีอีกหนึ่งคําถามครับอาจารย์อถ้าเกิดคนที่ไม่รักษาศัตรูแบบสมมติยืมเงินไปแล้วผิดคือผิดนักอย่างเนี้ยครับถือว่าเป็นมุสาไหมครับอาจารย์ อ่าก็มูสาแต่ว่าจะให้พรุ่งนี้เราไม่ถึงเวลาแม่เอามาให้นั่นแสดงว่ามูสาพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงอืมครับัก่อนที่เราจะพูดอะไรเราเราคิดให้ดีก่อนว่าเราทําได้ไหมอืมครับถ้าเราไม่ไม่แน่ใจแล้วก็ควรจะบอกท่าไหมถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็พูดเราหว่าคยให้ไม่ยังไม่ทำออกมามองมันเพราะเรานะค่อนไนไม่แน่นอน แต่ถ้าเขาบางค้ว่าจะต้องทำตามที่ตกลงกันเราก็ต้องทำให้ได้เราจะได้รักษาเครดิตของเราไว้ได้ในคราวต่อไปถ้าเกิดเราต้องการจะไปยืมเขาเอเขาก็อาจจะไม่ให้เราก็ได้เพราะเราเสียสัจจาเนี่ยผมก็รอดูครับเพราะว่ามีพระก็เป็นเจ้าวาดครับอยู่ทางเหนือพอดีว่าเขาก็รู้ลึก็ก็เหมือนมารู้จักกัน ผ่านทางโปเชลนะครับจากเขาจะมาติดต่อทางหลวงพ่ออารงณ์กวนเลยนะครับก็ยืมเงินไปครับบอกก็จะคืนสุกตั้งแต่สุกยี่สิบเจ็ดกุมภาครับนี่ก็ผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วครับก็จะรอดูว่าสุกนี้จะคืนหรือเปล่าครับแต่เขาก็ผัดมาเรื่อยๆครับก็คิดว่าเป็นเงินที่ถูกขโมยไปหรือเงินทํางินไปก็แล้วกันอยได้สบายใจส่วนมันจะกลับมาหรือไม่ก็เริ่มมันไป แต่ผมก็ไม่ได้กดอะไรท่านนะครับผมก็แค่แบบเออถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็เดี๋ยวก็แต่ก็ไม่อยากให้แบบท่านไปทาแบบนี้กับคนอื่นครับอาจารย์อ่าใชก็ท่าก็คงจะมาขอใหม่ไม่ได้แล้อยืมใหม่ไม่ได้นะครับพระอาจารย์ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับราษาทัพแต่งครับอาจเรยนที่คุณสงสดาสงสดาอยู่ที่ไหนคุณสงสดาอยู่กรุงเทพครับอาจารย์กลับมาสกการ เคยเยเข้ามาแล้วใช่ไหมเคยเข้ามาแล้ว <S 2> <S 2> ค่ะพอาจารย์วันนี้ ห, หนูขออนุญาตถามส อ, สองเรื่องนะคะพระอาจารย์ธรรมารม์ที่ครั้งที่แลพระาอาจารย์พูดถึงนะคะพอาจารย์พระอาจารย์บอกว่ามันเริ่มจากสัญญาใช่ไหมพระอาจารย์ <S 2> <S 2> สัญญาสัญญา <S <S สำคัญแล้วมันมีเวทนาต่อใช่ไหมคะพระอาจารย์อ่มันบางบาทีน่ยสัญญาสำคัเวทนา อย่างนี้ชาติเราใช้สติอยู่ยี่หยุดหยุดเหมือนอารมณ์โกรธที่มันกระทบจากภายนอกค่ะดูดูที่เวทนาเนี่ยค่ะอาจารย์เพื่อจะตัวไหนมันชัดเจาะตัวนั้นก็ได้เอาเมตนาก็ได้เอาตัวอารมณ์ก็ได้อ๋อตัวอารมณ์ก็ได้เลยค่ ะ, คะเพราะว่าอารมณ์มันจะชัดกว่าอืพัฒาานาแล้วอารมณ์ที่เราแบบตื่นแต้นตื่นกลัว ก็แบบเดียวกันะมันก็เมันก็อีกรูปแบบหนึ่งของกิเลสนักชังกลัวหลงนะเราไม่จําเป็นต้องไปรู้ว่ามันตั้งแต่ต้นยังไงเราเรารู้ว่ามันอารู้วิธีหยุดมันก็พอถ้าหยุดแล้วไม่ได้ก็ต้องก็ต้องใช้บุเบกขาเฉยไปอยู่กับมันไปมันจะมีอารมณ์ก็ถ้าเราหาสาเหตุมันหยุดแล้วไม่ได้ก็ก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจามันอนัตตาไป พระาอาจารย์วันนั้นอ่านคาค ำ, คำพระอาจารย์เทศว่าเป้าหมายคือไม่ว่าสิทธิ์สัมผัสอะไรก็ให้รู้เฉยเฉยเนี่ยพระเจ้าใช่ส<ม>ักแต่ว่าไม่ไม่ไม่ปูแตงไม่มีมรชาช่างปัวนอมกับสิ่งที่เราทำนั้นคือปกติอารมณ์จะใช้ที่พระอาจารย์สอนว่าเวลาเกิดอารมณ์ให้รู้ว่าอยากอะไรใช่ไหมคะพระเจ้า<ม>แล้วก็หลังจากนั้นเหมือน เหมือนพอเรานิดถึงเรื่องพวกนั้นมันก็จะไม่มีอารมณ์ใช่ถ้าถ้าเราค้นหาสาเหตุได้ยงยก็นค้นไปใช้หยุดสาเหตุนั้นได้อารมณ์นั้นก็หายไปแต่ถ้าเราค้นหาสาเหตุไม่ได้เราก็ต้องอยู่กับมันไปเฉยๆไปไม่ต้องไปมีไม่ไม่ต้องไปไปมีความอยากให้มันหายหรือไม่หายกว่ามันอยู่วนไปเดี๋ยวมันตายแล้วเดี๋ยวมันก็หายวนไปเอง ใช่เพราะหนูเคยทุกซ้อนอยากให้ใจมันไม่มีอารมณ์อะไรเลยปะออมาสองปีก่อนเจอพาร์ทซานะอะเพราะว่าเราเราต้องยอมให้อารมณ์มันเกิดใช่ไหมว่าใจใช่มันก็ต้องเกิดบ้างมันธรรมดาออที่เราเพลิดเพินอี้มันก็มันก็ปรุงแต่งขึ้นมาได้ อ, อแม่แม่อารมณ์เกิด อ, อ, อ, อพออารมณ์เกิดแล้วเราก็ต้องแค่เฉอออกเหมือนกันใชครับถ้าเราไม่สามารถที่จะไปหาวิธีหยุดมันได้แเราก็ต้องปล่อยมันเป็นไปเรไม่เฉยเฉยไปกับมันอย่าไปาทุบมัน ค่ะค่ะจะไม่ไม่มีชุดซ้อนกานลงแล้วอาจารย์เข็ดมากอาจารย์พระสันต์คำถามหนึ่งเป็นเรื่องทั้งเรื่องถามความกรธพระอาจารย์ค่ะแล้วพระอาจารสอนว่าพอดีหนพิจารณาคนที่เราไม่ต้องโกรธกายค่ะความคิดกายเขาไม่สักแตว่ากายแต่หนึ่งกลั่ติดที่ใจที่เจตนาเขาแต่พอพระอาจารย์ให้รับพระอาจาย์บอกว่าให้เที่ยวกับดวงอาทิตย์ท้องฟ้าท้องฟ้าที่ไม่มีตัวตนแต่มันก็ให้ฝนกระทบเรา อันเนี้ยพอหนูไปพิจารณาซ้ำๆมันยอมหนูยอมเลยพระอาจารย์ไม่ถึงสา<ม>คนที่ทําให้โกรธได้งานขึ้นแล้วก็พอเทียบเป็นเป็นทองฟ้านี่มันชัดมากพระอาจารย์ว่ามันเหมือนเป็นธรรมชาติพระอาจารย์ก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์มันทําให้หนูตอนนี้มีความโดเพราะถ้าถ้าเราไม่ลนไปทางวาจาอาจารย์ราารยก็จะ<ม>พิจารณาหวังควังคนที่ทําให้เราโกรธได้ได้ดีขึ้นทีนี้หนูสงสัยว่า ตัวเราบ้างค่ะอาจารย์ที่เป็นพูาา้โกรธค่ะอาจารย์เวัะนั้นมันมีคําเทศนึ่งขึ้นว่าการที่เรามีคนชมก็ดีใจมีคนตนําหนิก็เสียใจแต่ว่าเรายังยึดในตัวเองหรอกคะอาจารย์ไม่ยมังเปตัวตวนออกไปรับ<า>ถ้าเป็นตัวรู้กร็รู้เฉยๆไปรือว่าเขาด่าหรือว่าเขาหรือว่าเขาชมไปก็จบไม่มีตัวตวนออกไปรับนี่ยังมีตัวตวนออกไปรับหรือว่าเขาว่าเราก็าชมเรา เรากยายามกำจัดไใ้ตัวเรานี้ออกไปให้มันเป็นตัวลูกเฉยๆก็ต้องมีอุเบกขาวันนั้นวันนั้นสะดุดคําคําเทศมากก็เลยอย่างนี้ถ้าเราพิจารว่าตัวเรามันตายมันก็เป็นแค่วัตถุสิ่งของตายก็เป็นธาตุรู้ไปแต่เหมือนยังติดที่ใจใช่ไหมอาจารย์ก็ใจเราเราไมมีกิเลกกิเลสใจตัวกิเลสมันหลอกให้เราคิดว่าใจเป็น เป็นเราเรานองเป็นใจแต่มันก็จเกิดก็จะด่เลตเปล่าเลตขึ้นมาสูงแต่งขึ้นมามีท่าใจไม่ถ้าใจไม่คิดอะไรตัวตัวตัวตนก็จะหายไปเวลาใจสงบเนี่องเป็นสบาี่สังเกตว่ามันก็ตัวตนก็หายไปชั่วคราบอันนั้นคือที่ถู <ช>ต้องใช่เราก็พยายามให้มันหากไปตลอดเอาจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาสนใจว่าตัวตนได้มีเนะื้อเราไม่มีเราเป็นเพียงแต่ตัวลุ้ได้ลุ้มไปใครก็ว่าอะไรก็ลุ้ไปอย่าไปออกไปรับอย่าเอาตัว ต, วตวนออกไปรับต้องทําให้เหมือนตอนเข้าสมาธิใช่ไหมใจตัวกูใช่ใรู้ช่<ต>ใช่ไปเหมือนที่พระเจ้าสอนพายา เคยเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินอย่าเอาตัวตนออกไปรับสาุปคำถามสุดท้ายนี่คนคนที่เราเคารพรักที่ท่านสักไปตอนที่เราเราพิจารณาแล้วว่าตรงนี้คือ ก, กายเป็นเหมือนท่านหมายสิทของแต่เรายังรู้สึกว่าใจท่านไม่อยู่ไปไกกับอยู่ในสุขสิทเนี่ยอันนี้ถือว่าเรายังไม่ใจมัน ม, มีตัวตนใช่ไห ยังไงแล้วไม่เข้าใจคือรู้สึกว่าจิตของคุณพ่อหรือหลงพ่อที่จากไปเนี่ยจิตเขาก็ยังอยู่อีกที่หนึ่งเพราะว่ากายมันไม่ใช่ละกายเป็นมีน้ําลงในกายแต่ใจยังเป็นตัวเขาอยู่ใช่ไหมคะใช่ใจเขายังอยู่เหมือนเดิมร่างกายเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่นั่นเองเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนชุดใหม่ในร่างกายใหม่อย่างนี้แปลว่าการปล่อยวางใจนี่ไม่ใช่ปล่อยแตกให้ปล่อยแค่ตัวอารมณ์ใชิไหมจาง แต่ใจของใครก็ยังเก็นขงคนนั้นอยู่ค่ะคือเราเราปล่อยใจของคนอื่นก็คือใจของคนอื่นเขาจะอยู่ที่ไหนเป็นอะไรเราก็ไปก็เป็นเรื่องของเขาก็าเป็นเหมือนดินหน้าลมไฟอะไรแบบเราไปเราไปทำอะไรไม่ได้ให้เขาไม่ได้ ถ, ถ, ถ้าได้เจอกันอีกเราจะดูไหมคะว่าสิตมันเป็นถ้าเรามีความจําดีเราก็จะจําได้เพราะว่า นิสายใจคอพฤติกรรมวิธีการพูดอะไรของเขานี้มันเหมือนมันเหมือ น, นเดิมอ่ะอย่างวันอางบางทีเห็นหน้าคนที่จําไม่ได้แต่พอเขาพูดขึ้นมาให้จาได้เสียงมันเสียงคนนี้ล่างกายมันเปลี่ยนได้แต่เสียงเสียงพูดวิธีพูดเนี่ยไม่เปลี่ยนจำเรื่องอะไรคยพูดอะไรมันเป็นเหมือนเดิมใช่ครับอาจารย์จะไปศึกษาเรื่องนี้ ความจิแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะจ ำ, ำได้ไม่ได้ไ ม, ไมันเป็นไม่เป็นปัญหาเลยอืมอมขอบคุณพระาจารเป็นอย่างสูงค่ะปัญหาเราเคยเราอยาไปทุกกับเขาว่าเรางป็นอค่ะค่ะจะไปายามพระอาจารย์อขอบคุณค่ะพระอารคุณสเนทอนจากแมร์แลนด USA แมร์แลนด์เราได้น้ำแมตอนนี้อากาศกำลังดีเลยค่ะพระอาจารย์ พระจานทร์แดดกำลังดีอุณภูมิประมาณหกสิบฟาเรนไฮน์ใช่ะกำลังดีเกือบซัมเมอร์สปริงเกือบเาสปริงอยู่ค่ะอย่ก็รออยู่ค่ะอาทิตย์ที่อาทิตย์หน้าก็เป็นสปริงเบรกแล้วอะค่ะก็คิดว่าจะได้มีโอกาสคงปฏิบัติที่บ้านนะคะเพราะว่าโยมลาหยุดงานยังไม่มีโอกาสขึ้นทางดวงก็ที่บานทที่บ้านเป็นทางดน่วยก็ไะ้ถ้าอยู่คนเดียว ค่ะพระอาจารย์คือโยมรู้สึกว่าโยมจะต้องทําสติให้ได้ละเอียดกว่านี้นะคะ่ mm hmm. ะบางทีถ้าโยมทําแล้วแต่พอถึงเวลามีอะไรมากระทบแล้วเราก็จะเผลอหลุดทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าความเป็นจริงคือมันควบคุมไม่ได้ mm hmm. แต่มันก็จะแอบว่าอุ้นี้เราหงุดหงิดเพราะว่าเราเหนื่อยทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ามันไม่มั น, ม, นมันก็เป็นแบบนั้นเอง mm hmm. ก็เลยรู้สึก ว, ว่ามันไม่สติตามไม่ทัน ก็ยังต้องพัฒนาตรงนี้ต่อไปค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่วันนีน้ให้มันต่อเนื่องแล้วก็ให้มันก้าวสมาธิให้นานค่ะพระอาจารย์โยมก็รู้สึกว่าโยมก็ปฏิบตัติต่อเนื่องทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็วันไหนที่อยู่บ้านมีเวลาตอนบ่ายๆโยมก็นั่งปฏิบัติแต่มันก็ยังไม่เห็นถึงความก้าวหน้าไปเท่าไหร่อะค่ะพระอาจารย์นั่นแสดงว่าไม่ไม่ไ ม, มีกําลังมากค่ะก็ ก็ต้องทําต่อไปจนกว่าจะได้มีโอกาสีขึ้นทัน<ม>ทุกทางด่วนอาจารย์อาจจะต้องมีเวลาว่ากไม่ต้องทํางานจะได้ไม่ต้องคิดอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ประมาณนั้นนะคะก็ยมก็ไม่มีถา อ, อื่นแล้วค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่าะกราบ ถ, <ะ>ถูกเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้สาวเป็นไงโอเคอนนดีขึ้นแล้วค่ะ<ม>การเรียนก็ดีขึ้นกิจกรรมก็ดีขึ้นแล้วก็<ม>ไปสมัครเป็นออ่ อ, อตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนก็ได้ก็ได้ไปแข่งขันที่ต่างๆก็อันนี้นี่แหละค่ะอาจารย์ที่ทําให้โยมแอ บ, บหงุดหงิดเพราะว่าบางทีเราไปรับเขาแล้วเราไม่รู้ว่าการแข่งกีฬาเขาเนี่ยมันจะเสร็จกี่โมงแล้วเราก็นั่งรอแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องรอนานแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์รก็คิ ด, <อ>ดเผื่อไว้ก็คิดเผื่อไว้ก่อนมันจะต้องเป็นอย่างนี้ค่ะาอาจารย์ก็เผื่อไว้ก่อนมันก็จะได้ไม่หงุดหงิด โน้ตเล่ามันจะเป็นยังงค่ะคือโยมไม่แน่ใจว่าโยมจะต้องไปกี่โมงบางทีไปเร็วเขาก็เป็นเราก็เขาก็มายืนรอแล้วบางทีไปไปตรงเวลาเดิมนี่แหละแต่เราก็ต้องไปนั่งรอเขาเป็นชั่วโมงแล้วก็กว่าเขาจะกลับบ้านก็ดึกดื่นอย่างเงี้ยค่ะโยมก็เป็นห่วงสุขภาพด้วยแต่แต่ก็ต้องเข้าใจอ่ะค่ะก็ฟ้องค่ะพระอาจารย์โยมรู้สึกว่าตั้งแต่ปฏิบัติมาโยมปล่อยได้มากขึ้นนะคะพระอาจารย์ไม่ ปล่อยปล่อยลูกนะคะแต่ถามว่ายังรักผูกพันตรงนี้มันยังมันยังแน่นหนาอยู่อะค่ะแต่ก็ถือว่าปล่อยเขาดีมากไม่กังวลเขาไม่กังวลเขาไม่กังวลยมก็บอกเขาตลอดว่าถึงวันหนึ่งโยมก็จะกลับบ้านเขาจะอยู่หรือเขาจะไม่อยู่กับโยมก็เป็นเรื่องของเขาก็เพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็รอจนกว่าเขาจะโตขึ้นมาจนรับผิดชอบตัวเองก็มีงานทําแล้วก็อาจจะยังอยากจะอยู่กับเขาต่างต่างก็ได้ ใช่ค่ะก็ถึงเวลานั้นโยมก็บอกรูกบอกว่าถึงเวลาเราโยมก็จะไปปฏิบัติแล้วนะคะ mm hmm. ก็คงคงแล้วแต่เขาชีวิตเขาก็ของเขาอะค่ะอ uh, าจารย์ก็ดีองบอกให้เขาตองร่องหน้ากันค่ะพระอาจารย์โยมก็ตั้งใจเวลาว่าค่ะเพราว่าจะพยายามปฏิบัติให้เต็มที่ทุกวันนี้ก็พยายามดูแต่ใจตัวเอง mm hmm. ไม่ไปยุ่งกับ uh huh. เงียบติงให้ได้มากที่สุดค่ะ พระอาจารย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้ความรู้นะคะพระอาจารย์สาธุเจ้าค่ะขออุญาตค่ะนี่ก็ถึงนอนนับนัดอาจารย์ครับวันนี้เข้ามาฟังธรรมครับสับดีนะสงบครับสติดีพยายามรักษาสติไว้ให้ต่อเนื่องให้เพอ ให้อยู่ในปัจจุบันให้มาลิสุ์ทางทิศ ม, มากได้ครับสติในปัจจุบันมันก็น่าจะทําให้ลดความหลงทําอะไรใช่ไหมครับใช่มันก็คปรุงแต่งได้ครับใจ น, นะเพราะมันเคยบ้าเลยว่าปรุงแต่งไปทำหลงว่ออาถ้าอยู่ในปัจจุบันเราก็น่าจะ อ่าให้รู้เฉยๆม่ว่าทำทอะไรเดกมันก็เกิดก็ดับเกิดก็ดับไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็คิดของมันไปเรื่อยๆแต่เราไปติมันก็จะนิ่น้อยลงไปเรื่อยๆใชครับก็ไปลดอุปทานอย่างเดียววก็วางแล้วก็ลดไม่ไปไม่ไปติดกับอะไรครับไลดความโความอยากมาไปความไปใตัวครับครับขอบคุณครับ อ่าไปคุณปุ้ยตามปุ้ยรักซัมเบอรามนัสการค่ะพระอาจารย์อ่าเป็นยังไงบ้างปุ้ยโมมอสัปดาห์ที่แล้วก็เข้ามาแต่เข้ากล้องไม่ได้ก็ฟังอยู่รบนอกเจาก้าคะอ่ะอตอนนี้ก็ปฏิบัติตั้งแต่วันพระที่แล้วเป็นต้นมาก็เข็นตัวเองน่ะคือไม่เอาแล้วชั่วโมงเดียวตื่นขึ้นมานั่งสมาธิก็เลยสองชั่วโมงแล้วก็พยายามแบบว่าทํากายให้ใส คือมันสงบค่ะสงบดีและเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับพวกที่มีเรื่องราวเราใช้ชีวิตอยู่กับในในระหว่างวันแล้วก็เอปฏิบัติ ด, ด้วยไม่ใช่เฉพาะตอนตื่นขึ้นมาแล้วก็สวดมนต์จเจริญจิตภาวนาถือศีลแปดและไม่เอาแล้วถือศีลห้าเอาถือศีลแปดเลยเพราะว่าจะจะต้องลองซ้อมตัวเองพ่อบอกกับตัวเองว่าเราต้องซ้อมฝึกฝึกหนั ก, ห น, กหน่อย เพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าพรรษาและอยากจะถือสี่แปดทั้งพรรษาเลยอะคะ่ะเรารู้สึกความสงบกลับมาค่ะโยมก็ถูกบททดสอบเหมือนกับคุณผู้ชายชื่อวิทย์ไหมคะคุณคุณก่อนเนี่ยที่ที่บอกว่าถูกถูกถูกคน ท, ที่ที่ว่าเขาเอาเงินไปคือคนเกิค <kef lang S 1> ค่ะที่เขายืมเงินไปแล้วเขาไม่เอาคืออันนี้ไม่ได้มายืมแต่ว่าเราดูจากโซเชียล เขาน่าสงสารเรารู้จักเขาทีนี้เขาบอกว่าโอ้ยไม่มีจะกินอะไรอย่างนี้เออเราก็เห็นว่าเขาเป็นคารวารรมซึ่งบรรลุธรรมเขาพูดแต่เราตาเราตาเนื้อเรามองไม่เห็นเราก็ไปนั่งฟังเําเรารู้สึกโอนเอียงทีนี้เราก็เข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าเขาน่าสงสารมากเพราะว่าเราเห็นคนจะจมน้ําเราก็อยากจะช่วยเออเราก็เอาดังไปให้เขาและทีนี้เราก็เราก็ตกใจตอนที่ว่าตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเจอเพราะว่า เขาก็โมโวยวายเขาบอกว่าเธอดูสเงินเธอส่งมาเขาโวยวายทั้งหลายส่วนบอกเงินเธอส่งมาฉักเนี่ยยังไม่พอเลยยังขาดอีกตั้งพันหนึงฉันจะต้องฟักเนื้ออีกพานหนึ่งเราก็งงบอกเอ๊ะเราบอกว่าไม่ได้ให้ส่งไปซื้อซีมแต่เราร่วมบุญไปให้เ้าไปกินไปอยู่ไปใช้จ่ายเพราะว่าเขามีคนป่วยอยู่ในบ้านด้วยเออทีนี้เราก็โออเอาละ่ะ เราดูแล้วการพูดจาแต่และ ว, วันไม่เหมือนกันเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราถือว่าเขาทาบุญไปแล้วคุณก็คุณก็ณกอวยพรให้เราไปแล้ ว, ลวก็โอ้โหศิกรรมก็บอกกับเขาว่าฉันโอโหสิกรรมให้เธอก็บอ ก, กบตรงหน้าเลยบอกว่ากรุณายอย่าไปทําอย่างนี้กับใครนะมิชชาชีพนะครับนักบุญเนี่ยมันไม่ดีแต่เราก็พูดกับเขาไปก็ไม่มีอะไรเกี่ยวคือคุณคนนั้นพูดมาว่าโอโ้ใช่เลยเราโดนเหมือนกันเลย โอเคน่เป็นบทเรียนก็แลันว่าบางจะช่วเยอะกานคือว่าเป็นบทเรียนเพราะว่าเราจะได้ทีหลังเราจะได้แบบว่าใช้สติปัญญาคิดแต่ไม่ใช่ว่าเราทําบุญแล้วก็เราใจดีอ่ะถ้าเราไม่ว่าใจก็ใช้โอเบกคาไปก็ได้ใช้ไหมค่ใช่ค่ะเป็นกรรมของสัตว์ไปเป็นรุญเป็นกรรมของเขาไปบางทีไม่รู้จะถูกเขาหรอกว่าใช่เอ็น แล้วก็โยมก็จะจะปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าโยมคิดว่าเราเลือกทางแล้วแล้วทางนี้มันสงบแล้วมันสงบดีกว่าเพราะอายุเราเยอะแล้วเราเราไม่อยากไปรบราค่าฟันกับพวกในที่ทํางานพวกนั้นแล้วแล้วมันไม่พวกมันไม่จริงเราเดินทางเราเลือกออกมาถ อ, อยออกมา แ, แล้วมาเดินทางเป็นพระชนะเป็นบานอยู่อะแพ้เป็นพระใช่เพราะเราไม่เปลี่ยนเขาไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองแล้วเราเลือกทางนี้เพราะว่า มันมันสว่างค่ะตั้งแต่ออกมาแล้ว <Okay. S 1> เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีขึ้นจิตใจมันเบาแล้วเราก็รู้สึกสงบเราไม่รู้สึกตังวล น, นะฮะโ okay. อเคแล้วได้ขอขอกำจัดํากัดเวลาไว้หน่อยขอบไรขอมาค่ ะ, ะอ๋ะ<ข>อ<ข>อาพระจารย์ขอให้อาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอะขอให้ผู้สุขสบายให้รับไม่รวยทุกหวยทุกม้วนสมัยแม่สามบ้างก็รับไม่ กับขอบพระคุณที่พระอาจารย์สั่งสอนค่ะข อ, อะม้อถวายบุญกับพระอาจารย์ค่ะสาธุไปได้วยคุณหมอสุธานสนิตาหม อ, อมีอะไรไหมไม่มีคำถามเจ้ า, าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคไปที่คุณจิมค่ะคุณจิมอยู่ไหมอะไรอยู่ด้วยเซ่กลับนันสการค่ะพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะแต่ก็พยายามปฏิบัติถ้าต่ เออลืมคำถามนิดนึงพรอาจารย์คะถ้าโยมเวลานั่งนั่งไปเรื่อยๆแล้วมันคือตอนนี้โยมปวดเข่ามากเลยแต่ถ้าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วมันมันไม่เจ็บมันไม่ปวดอะไรเลยแต่ว่าเราเรานั่งถึงจุดที่มันสงบแล้วใช่ไหมคะก็มันก็หรือว่าเราคิดไปเองค่ะมันสงบแล้วต้องรู้เสีมันสงบเป็นเป็นยังไงส่วนเจ็บไม่เจ็บมันเป็นเรื่องของร่างกาย บางทีมันก็เจ็บได้บางทีมันก็ไม่เจ็บได้ไม่เกี่ยวกับก็จิตเราสงบหรือไม่สงบอ่ะอืมค่ะก็คือมันแต่มันจะรู้ได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะถ้าถึงจุดที่มันเบาแล้วมันแบบว่างลงโล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเจ้าค่ะก็ไม่มีอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาเหล่าลูกศิษย์นะเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ทักขันแข็งแรงเจ้าค่ะขอบคุณทีมงานด้วยนะคะเมื่อกี้เอ็นคนสลิดน้นมา เห็นค่ะก็เมื่อคืนยังคุยกันอยู่เลยค่ะตอนแรกกะจะบอกว่าวันนี้มันยุ่งมากเลยไม่รู้จะได้เข้าหรือเปล่าแต่ก็แบบเข้ามาบ้างปิดหน้าจอไปบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออธทษฐานคุณพี่อคุณบอยด้วยนะคะบางทีแบบว่าหน้าจอปิดบ้างเปิดบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรโอเคค่ะก็ได้คุยกันสลินทอนก็โอเคค่ะเดี๋ยวลูกๆปิดเทอมก็ไม่แน่ใจว่าจะเอามาเล่นกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีค่ะค่ะ ค่ะขอบคุณจ้ค่ะไปที่คนดีค่าดีศีแลชาการนัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้ก็ก็ก็ปกติสุขมีเจ้าค่ะค่ะก็เข้ามาร่วมฟังธรรมนะค่ะค่ะหนุกนูมีคำถามนิดนึงเจ้าค่ะเอ่อเป็นจาง ที่หนูได้มานะคะจากเราฟังว่าอะไรใช่ค่ะมันมีอยู่เกี่ยวกับเรื่องความตรึกแล้วก็ความตรองอของรูปลดกลิ่นเสียงผลพระ ธ, ธรรมรมะค่ะอาจารย์บรบกวนช่วยเออ่เพิ่มความเข้าใจนิดนึงว่าระหว่างตรึกกับตรองมันต่างกันยังไงจ้าค่ะคือตรึกก็คืนเนื้อตรองก็คืนคิดเนืแล้วเราก็ไปแล้วเราก็คิด ว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่อะไรอย่าง น, างนี้ก็เรียกว่าคิดตรอง<ช>เป็นการป่ายตรองตึกตึกก็เป็นการเป็นการนึกนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คน น, คนนั้นคนนี้วัดตึกอื<ช>ก็มันภาษาไทยก็คือเป็นึกคิดไ ง, งนึกตรอมที่มันเป็นภาษาบาลีเช่นเราดูพุทธรเรานึกถึงพุทธรนี่ก็เป็นตึกนะ ถ้าเรเรารู้ว่าเราเรายังพูดโธยอยู่หรือไม่พูดโทยอยู่ก็คิดนะรองนรองจะใช้การวิเคราะห์สังคเคราะห์ิเคราใช่อบเิส่วนส่วนส่วนตั ว, ว, วก็คือต้องน่มถึงสิ่งที่เราน้กถึงแล้วค่ะ อ, อ้าวเคลียจ้ะขอบพระคุณมากค่ะไปด้วยกันมันก็คือสัญญาสำคาญเนี่ยนึกก็คือสัญญาจาได้ไหมลูกนะ ตองกสราตองก็คือสังขารความคิดปูมิแต่งอืมเข้าใจแล้วค่ะมามาเป็นคู่กันแบบนี้มันทำงานด้วยกันคู่นี้แต่ตองไปด้วยกันส่วนใหญาต้องเลิกก่อนถึงคนนั้นล้วก็คิดว่าเป็นไงบ้างเขาสบายดีหรือเปล่าไปหาเขาดีเยี่ยมเขาดีเลยค่ะตออ๋อเจาค่ะชัดเจนมากทุกขอบคุณค่ะค่ะ ไอ้เที่คนนาลินนานาลินหน้าอยู่ที่ไหนเปิไมาเป็นไหมอยู่มงซ้ายนั่นเองสวัสดีค่ะพระอาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินชัดเจนอยู่ที่ไหนจ้ะอยู่กรุงเทพคะ่ะไม่มีอะไรไ วันนี้มีคำถามค่ะคือว่าก็ปกติฟังพระอาจารย์ทุกาทิตย์นะคะไม่ได้ขาดแต่เวลามีปัญหาถึงจะขอมาอนุญาตเรียนถามนิดนึงค่ะคือว่าช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาหนูดูแลคุณแม่นะคะที่แบบท่านกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตทันนะคะแล้วก็ดูแลจนท่านเสียแบบคามือเลยอย่างเงี้ยค่ะก็วันที่ท่านเสียเนี่ยตัวจิ๊บเองจิ๊บก็ไม่ได้ร้องไห้ฟูงไฟนะคะแล้วก็มีสติครบถ้วน แต่ที่นี้พอผ่านไปสองสามวันเนี่ยมันจะมีจังหวะที่แบบนึกถึงตอนที่เราปนนิบาต ท, ท่านนะคะแล้วก็รู้สึกมันมันมีความปลื้มอยู่ในใจแล้วก็เลยร้องไห้ไอไอตัวสภาวะอย่างเงี้ยจิ๊บก็คือตัวจิ๊บเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะล้างท่านไว้พรท่านป่วยเยอะในช่วงสองสาเดือนนั้นอะนะคะ <c oughs> แต่ว่ามันเกิดความรู้สึกแบบน้ําตาไหลเพราะเรานึกถึงตอนที่เราดูแลคุณแม่เนี่ยแต่ไม่ได้ ไม่ได้เป็นไม่ได้คิดว่าตัวเองเศร้าอะคะ่ะพระอาจารย์แต่มันเป็น<ม>ความเหมือนเหมือนเรารู้สึกว่าโอ้แล้รรวขัดข้ามซึ่งซึ่งค่ะนั่นคือสภาวะยังไงคะ<ม>พระอาจารย์เวลาเจอสภาวะอย่างเนี้ยจิ๊บรองไห้เนี่ยจิ๊บควรที่จะแบบหยุดหรือพิจารณาหรือ ย, อยังไงดีคะพระอาจารย์คะขอรบกวนถาคมค่ะอมันก็เป็นอารมอย่างหนึง่งอารมณ์ที่มันก็เกิดขึ้นจากความรู้สึกนึกคิดอะรอยางนี้นัถ้ามันไม่เป็นความทุกขก์เราจะปล่อยให้มัน เป็นไปก็ได้ป็นถ้าเราอยู่ในในที่สาธารนณะที่เราไม่ควรที่จ ะ, ะปล่อยให้มันออกมาเราก็ต้องสำรวจมันเราก็ต้องหยุดมัใ น, นใช้สติหยุดมันได้ใช้พุทโทพุโทก็อับเยอนมันก็หายไปอ่าแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวก็สามารถปล่อยให้ไปไออตามน้ำได้ถ้าอยากจะปล่อ ย, อะอยนะ ม, มันก็ปล่อยไปตามตามธรรมชาติองไปก็ได้เดี๋ยวมนก็หดเอง ไม่ได้น า, นาเป็นห่วงอะไรใช่ไหมคะมันมน ม, น ม, นมันไม่เป็นความทุก่์มันไ่ดียวาเป็นเอาเป็นปิติเป็นทราบเสียงความทราบเสียงค้ามประทับใจค่ะขอบคุณมากค่ะพรอาจารย์อขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรง ค, ค่ะขอบคุณค่ะที่คุณชนตนต่าคุเชนต์มีที่ไหนเอ่ยคนเชนต์อยู่ประทุมธานีครับพรอาจารย์จำไม่ได้ขอไยด้วยทางไหุวนนั้ ไม่เป็นไรครับเข้ามากราบพระอาจารย์นิเฉครับโอเคเนก็ไปที่คุณเจษฎาพรตคุณเจสฎาพรเป็นไปเป็นไหอยู่มุมอะไรนะผู้ได้เลยแบบนักการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ค่ะหนูอยู่กรุงเทพค่ะวันนี้พาลูกชายมากราบได้ค่ะยอยู่านเทีตันนี้เลยนะสี่ะพอดีว่า เขาจะมีกิจคือจะส่งเขาไปเออเหมือนว่าคัดเลือกบวชสา ม, มเณรนะคะที่อูวัดพุทก็เลยอยากจะมาขอพรพระอาจารย์เพราะว่าเขาเหมือนว่ายังเล็กนะคะ่ะบางทีเขาไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะไปบวชเนนคุณแม่ก็เหมือนว่าอยากให้เขาได้ไปอะคะ่ะอยากให้พระอาจารย์คุยให้กําลังใจนิดนึงอะคะ่ะอ่ะเจ็บมาเดี๋ ย, ม า, ยมาลุชื่อน้องพร้อมค่ะพระอาจารย์ น้องพร้อมอยากจะไปบวชไหมบอกผ่าจานบอกความจริงจริงผมไม่ค่อยอยากบบไปบวชนี่ก็ไปเรียนนั่นไงเขาเรียกวบวชเรียนเพียงแต่แทนที่จะไปเรียนไปเรียนแบบที่เราไปโรงเรียนทั่วไปนี้เราต้องไปใส่เครื่องแบบของของพระของในฉะนั้นเองแต่ก็เป็นกาไปโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนกินนอนไปอยู่วันแล้วก็มี มีอาหารได้รับประทานมีที่สยูหลับนอนเราจะได้ไม่ต้องเดินทางกลับไปไปกลับมาอยู่โรงเรียนตลาดกะลาล้วเราจะได้มีโอกาสได้เรียนวิชา พ, พุทธศาสนาวิชาที่ธรรมนาโรงเรียนก็ไม่สอนกันก็เป็นการไปเรียนรู้เป็นอยน่างเพ็ญไม่มีอะไรน่ากลัวนะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมค ะ, ะขอบพระเจ้าพนม แต่ะเดยวเราจะเจอเพื่อนเยอะแยะเลยเแี่ยก็เป็นพวกเดียวที่ไปบวช ด, ด้วยกันก็ไปโรงเรียนดีๆเนี่ยไปเมมรียนซัมเมอร์นียไปเมมรียนซัมเมอร์นะจะมีกิจกรรมให้เราทำทั้งวนเนจะไม่เบื่อทำในเรื่องทํำเรื่องที่เราไม่เคยทํากันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินมินทบาทน เป็นการเรียนรู้ชีวิตอีกหรืออีกรูกกกแปแบบหนึ่งเราก็จะเก่งขึ้นฉลาดขึ้น <c oughs> เข้าใจนะไม่ต้องกลัวเข้าใจขอบคุณค่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าพอดีว่าวันนี้ให้เขานอนดึกเพราะว่ารอรอให้มาขอพรจากพระอาจารย์นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันวันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะต้องไป ไปเหมือนว่าเขาจะต้องไปคัดเอือกอะค่ะเหมือนว่าเขาเขาจะต้องให้ไปเป็นผ้าขาวก่อนอาทิตย์หนึ่งก็เลยคือก็อย่างนี้ทดลองเนี่ว่าทำอยู่ได้หมถ้ยไม่ได้นะไม่ต้องบวชให้เสียเวลาแล้วบวชเสร็จเขาร้องกลับบ้านเี้ย่างนี้แต่ว่าเขาจะให้เด็กตัดสินใจเองนะค่ะประธาแต่ว่าคุณแม่ก็แล้วแต่เขาแต่ว่าเราก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เลยอยากให้กับลูกอะค่ะก็ไปลองทดลองก่อนที่ยังไม่ต้องบวชแต่ก็อยู่เหมือนเือมกับ ตอนที่บวชเลยไปอยู่พาะขาวก็เหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะกราบพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณนะคะเขาฟังกับหนูทุกวันนะคะก็เลยว่าได้พามาคุยกับพระอาจารย์บ้างค่ะโอเคอ่าอ่าทังอ่าไรที่คุณปอดต่อคุณปอนมีคำถามไหมจากเบนดูกราบหลวงพ่อครับมีคำถามสองคำถามครับ ทาง YouTube, Facebook ครับคำ ถ, ถามแรกคุณวาสนาการเมราคะของผมมาตอนตื่นเช้าแต่ผมไม่ให้ความสนใจท่องพุโทโธพุโทโธบางครั้งก็ท่องอาการ32ครับแปบ๊บหนึ่งก็หายไปอยู่ไม่นานมีวิธีไหนที่ทำให้หายสนิทไหมครับแต่ผมสังเกตเห็นว่าถ้ารู้สึกตัวและตื่นจะไม่มี แต่ถ้านอนต่อแล้วตื่นอีกทีการเมราคะก็จะมาครับสินแปดของผมยังรักษาได้มั่นคงดีครับคือที่มันโผล่ขึ้นมาเพราะมาช่วงสติเราไม่สติแล้วอ่อนอิเลตมันก็เลยมีกำลังมันก็เลยออโผูกมาได้นะแต่ถ้าเรามีวิธีกำจัดมันก็ไม่ต้องน้ำไม่ต้องไปวิตกถ้ามันโผล่ข้นมาเราก็ใช้พุทโธหรือแช่ากาซานสองไป ถ้ามันใส่หัวตัวเราก็ถือว่าเราสามารถควบคุมมันได้แต่จะให้มันหายไปแบบเด็ดขาดนี่มันก็ก็ต้องแบบว่าเราต้องมีสติสมบูรณ์ตลอดเวลาพอมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วก็รูทันปั้มก็หยุดมันได้เลยคะคำถามจากคุณพาสิน เ, เรื่องพระวินัยครับผมมีพระที่เป็นเจ้าอาวาส แต่ท่านเป็นพระที่มีพรรษาน้อยกว่าและบวชทีหลังได้เดินบินทบาตอยู่ข้างหน้าสุดครับส่วนพระลูกวัด ท, ที่บินธบาตรูปหลังๆคือพระที่บวชก่อนท่านจเจ้าอาวาสแบบนี้เป็นอาบัติหรือไม่ครับและเพราะเหตุใดครับก็บางทีมันเป็นเรื่องของการยินยอมนะคือเมื่อเขาเป็นเจ้าอาวาสห็ืว่าเขาก็เป็นบุคคลพิเศษซึ่งบางทีก็อาจจะ ยกเว้นเรื่องเรื่องของพรรษาไดนะ้แต่ก็อยู่ที่พระรูปนั้นนะพระที่เป็นเจ้าอาวาสมาท่านจะท่านจะเอาแบบไหนถ้าท่านคิดว่าคนรจะให้เกียรติกับพระที่กขบวชก่อนก็ควรจะเดินเดินตามลำดับพรรษาไปอันนี้มันก็แล้วแต่ข้ อ, ขอตกลงของผู้ที่อยู่ร่วมกัน ถ้าที่มีบรรษามากกว่าท่านก็อาจจะแกณฑ์ใจในฐานะที่ท่านเป็นเหมือนเป็นลูกพระลูกวันส่วนส่วนท่านเจ้าวาดนี่ท่านเป็นที่มีพรรสาน้อยกว่าแต่ท่านก็ต้องเป็นหัวหน้าในฐานะที่เป็นเจ้าวาดนี่คือปัญหาในโลกในปัจจุบันนี้เพราะว่าเจ้าวาดนี้บางทีมาจากการแต่งตัต้งนะไม่ได้มาจากตามตามลาดับอาวุโส ในสมาบันพุทธการนี้ไม่มีการแต่งตั้งนะเขาจะว่าันไปตามลําดับเอาอังกูษสงฆใครพรรษามากกว่าก็ก็จะเป็นเจ้าวานโดยอัตโนมัติถ้าเป็นสถาบันนี้เขามีกฎมีระเบียบ ก, การตั้งเจ้าวาดนะไรต่างๆแล้วก็ก็เลยต้องว่าดไปตามตามกฎตามระเบียบของยุคสมัยใหม่ก็ อ, อันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปยังไง ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นปัญหาใหญ่โตอะไรหมดแล้วครับหมดแล้วนะโอเคก็คิดว่าทุกคนได้ทางมันหมดแล้วเวลาก็กล้จะหมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเป็นเลก้าหน้าในธรยิ่งขึ้นไปเถิ